ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทำวัดเช้าเรื่องเจาะลึกไตรลักษณ์โดยพ่อท่านโพธิรักษ์เมื่อวันที่เจพฤษภาคม2525น 25, ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้นะบัดนี้ วันนี้เราก็มาพูดถึงทั้งต้นเขานิทานและก็เรื่องราวที่เราเองเป็นมนุษย์เนี่ยเรายังได้รับสิ่งที่สืบทอดอันมีอยู่แม้ระยะยาวนานมาเป็นพันๆปี เราก็ได้รับสิ่งนี้สืบทอดกันมาและมันก็ไม่เที่ยงถ้าเพื่อว่าเราเองเป็นมนุษย์นี่แหละเราไม่ใส่ใจที่จะช่วยเหลือรักษาหรืออารักนาไว้ให้ทรงอยู่มันก็จะไม่เที่ยง ที่ว่าไม่เที่ยงนี่ก็คือความรู้ความรู้ที่รู้โดยมนุษย์สัตว์โลกที่เป็นเดรัจฉานนั้นรู้ไม่ได้เพราะไม่ใช่ความที่จะรู้ได้ไง่ายๆปวยการกล่าวไปยัยถึงเดรัจฉานแม้แต่พูดชื่อว่าเป็นมนุษย์หรือคนซึ่งมีลักษณะเป็นคนแล้ว ก็ยังอีกมากกว่ามากนักที่ไม่สามารถรู้ผู้สามารถรู้ได้นั้นคนจนํานวนหนึ่งเท่านั้นผู้ได้ค้นพบสิ่งที่วิเศษสิ่งที่ประเสริฐสุดอย่างนี้เป็นยอดมนุษย์จี่ได้คนพบแล้วแล้วก็ได้เอาสิ่งนี้มาเปิด เผยบอกวิธีธรรมอธิบายถึงคุณภาพอธิบายถึงรถอธิบายถึงความที่น่าได้น่ามีหน้าเป็นน่าเอาแล้วก็ให้คนได้มาพิสูจน์ยืนยัน ผู้ที่มีปัญญาเพียงพอมีอินทรพละเพียงพอก็ได้มาเอาตามได้มาใช้ปัญญาไตรตรองดูก่อนจนกระทั่งเกิดความตั้งมั่นเกิดความตั้งลงซึ่งปัญญาเราเรียกว่าปัญญาทิฏฐานคือเกิดฐานะที่ ดีขึ้นกว่าเก่าไม่ใช่ฐา น, นะเท่าเก่าอธิแปลว่ายิ่งอธิษฐานเมื่อสนธิกับคาว่าฐานะก็เป็นอธิษฐานฐานคือที่ตั้งที่ตั้งของเราเนี่ยตัวเรานี่ตั้งอยู่อย่างใดแค่ไหนเสร็จแล้วเราก็มาได้เริ่มเพิ่มขึ้นเพิ่มอะไรเพิ่มปัญญาเพิ่มความรู้ ได้เพิ่มความรู้ยิ่งขึ้นฐานนี้ก็เกิดยิ่งขึ้นจริงๆมันเป็นฐานที่ไม่ได้อยู่เดิมเป็นฐานที่เพิ่มความยิ่งนั้นขึ้นเพิ่มความรู้ความเข้าใจเป็นปัญญาจึงเรียกว่าปัญญาทิฏฐานปัญญาบอกอธิฐานมาเพิ่มขึ้นว่าเออสิ่งอย่างนี้เป็นสิ่งที่ ได้รู้เข้าใจแม่นมั่นขึ้นเห็นจริงเห็นจังเห็นดีเห็นประเสริฐแล้วเราก็เอาจริงเพื่อพิสูจน์ความจริงเมื่อเราเอาจริงเราพิสูจน์ความจริงก็เกิดเกิดเป็นจริงขึ้นมาได้เมื่อมันครบพร้อมด้วยทางปฏิบัติ ก็เป็นทางที่ถูกเมื่อความเห็นถูกทางปฏิบัติก็เป็นทางที่ถูกและเราก็ภาคเพียนพยายามที่จะปฏิบัติให้ถูกอีกมันก็ต้องเกิดฐานใหม่อีกเป็นอธิฐานใหม่อีกเป็นจริงๆเป็นจริงๆเรียกว่าสัจจาทิฐานสัจจะเนี่ยบวกอธิฐาน เป็นจริงๆมีจริงๆเกิดจริงน้อยก็ตามหรือว่ามากมากเท่าใดก็ตามเมื่อเราใช้ปัญญาสอดส่องดูแต่ละคนแต่ละคนที่ได้มาภาคเพียรพยายามปฏิบัติตามทางที่อาตมาเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับได้เรียน จากผู้ที่เป็นยอดคนเป็นผู้สุดประเสรฐนั้นได้ค้นพบสิ่งวิเศษนี้แต่ตมาก็ได้เอามาทำเอามาพิสูจน์เห็นจริงตามยืนยันกับคุณได้ว่ามีสัจจะนั้นมีสัจจะทานั้นมีสิ่งทึ่เป็นความจริงนั้นทรงขึ้นทรงอยู่ทรงมัน่น เมื่อทรงขึ้นก็หมายความว่ามันได้เกิดขึ้นกับเราเมื่อเกิดขึ้นกับเราเราพยายามภาคเพียรให้มีมากๆให้มีบ่อยๆให้มีจนเป็นสิ่งที่คุ้นที่เคยติดต่อขึ้นมากๆก็อยู่กับเราไม่ใช่นานๆมีทีเมื่อมีก็อยู่กับเราเป็นส่วนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็เรียกว่าทรงอยู่ทรงขึ้นแล้วก็ทรงอยู่ทรงอยู่ก็ทรงมั่น อยู่กับเรามั่นอยู่กับเราถาวรอยู่กับเรานานอยู่กับเราไม่แปรปรวนอยู่กับเราอย่างตลอดเวลาเพราะเราได้ภาคเพียรทำเอาได้มาทำเอาไม่ใช่ได้มาโดยคนนั้นคนนี้ประทานไม่ได้ได้มาโดยคนนั้นคนนี้บันดาล ไม่มีใครบรัรดาลไม่มีใครประธานจะแนะกันได้แต่เพียงแนะปัญญาแนะพอรู้แต่สัจจะนั้นเราต้องทาเอาเองเราต้องเพียรเอาเองใครเพียรมากได้มากใครเพียร น, น้อยได้น้อยใครไม่เพียรเลยย่อมไม่ได้เลยกรรมเป็นอันทำ ไม่มีกรรมเป็นอันธรรมได้แต่รู้มันก็แค่ทารู้แล้วก็ได้แต่รู้แค่ทํารู้เท่านั้นเองถ้าทาให้เพิ่มขึ้นทรงขึ้นทรงอยู่ทรงมั่นนะทรงจนเป็นอัตโนมัติเป็นถาวรเราก็ต้องทำเอาเองทั้งสิน้นกรรมเป็นอันธรรมกรรมมีจริงพิสูจน์ได้นะ บางคนได้มาพิสูจน์นานปีเราก็จะต้องอ่านทบทวนสอดส่องดูความจริงว่าเราเองเรามีสัจจทิฏฐานนั้นหรือไม่ที่กล่าวไปแล้วว่าสัจจทิษฐานนั้นสัจจทิษฐานนั้นคืออะไรสัจจทิษฐานนั้นคือจาคาทิฏฐาน สัจจะธิษฐานนั้นไม่ใช่อะไรเลยคือจาคาธิษฐานคือสิ่งที่เราได้สละทิ้งตั้งมั่นในความสละออกสละทิ้งไม่ใช่อื่นเลยศาสนาเนี่ยที่เรามาทำอธิษฐานเนี่ยมาทำให้ฐานะเป็นฐานะอันยิง่งเป็นฐานอันยิง่งไม่ได้มีฐานอื่น สละได้เกลี้ยงสิ้นจนบริสุทธิ์บริบูรณ์จึงเรียกว่าอุปสมบทฐานเรียกว่าฐานแห่งความสงบฐานแห่งความสุขสงบฐานแห่งสันติวิเศษหรืออุปสมาอุปสมะท่านเรียกว่าฐานแห่งนิพพานเรียกชื่อว่าฐานนิพพาน เรียกชื่อว่าฐานในความสงบวิเศษเรียกชื่อว่าฐานในความสันติเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยราบรื่นง่ายงามเรียบร้อยแล้วเราเป็นความเรียบร้อยนั้นเราแหละเป็นผู้ที่ราบรื่นนั้นเราแหละเป็นผู้ที่ง่ายและเราแหละเป็นผู้ที่ทรงความงาม หรือเป็นงามมันนั้นนี่เรียกว่าอุปสมบทฐานทีนี้ก็จะขออธิบายเน้นเข้าหาคำว่าจาคะเราจะตั้งอะไรตั้งไม่มีตั้งอะไรอื่นหรอกความจริงอันนั้นคือจาคะคือความได้สละออกไม่มีอื่นเลย เพราะฉะนั้นเราจะพบความจริงก็คือพบความสละของเราเราสละได้จริงไหมถ้าเราสละไม่ได้จริงเราก็ไม่มีความจริงนั้นเอาจจะขออธิบายโดยความหมายในยะที่ซับซ้อนอันหนึ่งก่อนคือลักษณะสูงลักษณะถึงที่สุดท่านเรียกว่าอนิจจังทุกขัง อนัตตาซึ่งเป็นสิ่งจะต้องรู้ว่ามันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงจริงๆแต่ผู้ที่ยังไม่เห็นความจริงไม่เกิดปัญญานั้นก็ไม่เที่ยงนั่นแหละความจริงก็ไม่เที่ยงนั่นแหละแต่เขาเที่ยงเขาคงที่เขาคงอยู่ คือภาษาที่มันย้อนกันก็ว่านิจจังฟังดีๆจนะตั้งใจฟังดีๆจะอธิบายนี่ซ้อนอ น, นิจจังทุกขังอนัตตานั่นเป็นคำเรียกแถวหนึ่งนิจจังสุขขังอัตตานี่เป็นคำเรียกอีกแถวหนึ่ง คนที่ยังไม่มีปัญญาแม้จะบอกว่าอ น, นิจจังบอกว่ามันไม่เที่ยงใครก็พอรู้แม้จะไม่มีปัญญาก็ตามพอรู้ความจริงอันนี้รู้ได้แม้หยาบกลางตื่นรู้ได้รู้ได้ง่ายๆายอ น, นิจจังมันไม่เที่ยงหรอกอะไรอะไรมันก็ไม่เที่ยงเข้าใจได้ไง่ายงใครๆก็เข้าใจหยาบๆยาตื่นตื่นก็เข้าใจ แต่ความหมายที่เป็นปัญญาทิฏฐานเป็นปัญญาที่ลึกขึ้นไปนั้นเราจะรู้ถึงความไม่เที่ยงที่ลึกซึ้งขึ้นไปกว่านั้นแท้จริงคําว่าไม่เที่ยงนั้นซ่อนอยู่เที่ยงสําหรับคนที่ไม่มีปัญญาและไม่ได้เกิดความจริงและไม่ได้เกิดการสละออกได้เที่ยงคือเขาสละออกไม่ได้อะไรยังเที่ยง เหตุแห่งทุกข์และตัวความทุก ข, ข์ของเขาอย่างเที่ยงอัตตาของเขาอย่างเที่ยงและเขาก็หวังว่าความสุขของเขาอย่างเที่ยงแท้จริงเขาไม่ได้เป็นความสุขอยู่ตลอดนิรันดร์เขาหิวโหยขึ้นมาเมื่อไรเขาทุกข์เมื่อ น, นั้น เขาต้องการเขาอยากใครขึ้นมาเมื่อไหรเขาทุกข์เมื่อ น, นั้นแต่คนไม่เห็นความทุกข์เพราะความอยากง่ายๆทั้งๆที่มันปรากฏมันมีอยู่ในบุคคลที่ยังไม่ได้ศึกษามันเป็นตัวของมันเป็นความจริงของมันอยู่แล้วมันก็ทุกข์ต้องสแสวงหามาบำบัด เมื่อแสวงหามาบําบัดได้สมใจก็เรียกว่าเสพสมสุขสมเพราะได้มาสมที่เราอยากสมที่เราต้องการบําบัดบําเรอเราก็เรียกความสมใจในการบําบัดบําเรอนั้นว่าสุขแล้วเขาก็ไม่เที่ยงพอสุขแล้วประเดี๋ยวเขาก็ไม่อยากอีก แล้วเขาก็นึกว่าเขาสบายๆแล้วไปพักหนึ่งแล้วเขาก็อยากใหม่แม้อยากเรื่องเก่านั้นก็อยากแล้วอยากเล่าซ้ําแล้วซ้ําเล่าไม่รู้จบหรือบางทีอยากเก่านั้นก็เบื่อเบื่อเซ็งเซ็งไปอยากอย่างอื่นอีกอยากเปลี่ยนเรื่องอยากเปลี่ยนสิ่งที่อยากหรือเพิ่มสิ่งที่อยากเข้ามาให้มากให้ทุกหนักให้มีสิ่งที่อยากมากยางขึ้นด้วยความโง่ ที่เรียกว่าอาวิชชาคนก็หลอกหาเรื่องที่จะมาหลอกให้อยากอยากอย่างนั้นอยากอย่างนี้มากขึ้นเพราะฉะนั้นตัวความอยากตัวความเสพหลงว่าเป็นสุขนี่แหละสุขอยู่เท่าใดมีความสุขอยู่เท่าใดตัวทุกมีอยู่เท่านั้นเพราะสุขกับทุกเป็นของคู่กันสิ่งที่บำบัดทุกบำบัดความอยาก บำบัดตัญหาราคะเหล่านั่นแหละเป็นตัวที่เรียกว่าแค่บำบัดหรือบำเรอแล้วเรียกมันว่าสุขความสุขจึงเป็นสิ่งที่จะต้องมีการบำบัดมีการบำเรอมีการต้องหาให้มันอยู่ตลอดเวลาการที่เรามีความต้องการความอยากความหลงว่าเป็นสุขนั่นคือก้อนความทุกข์ ก้อนความทุกข์ที่เรามีอยู่นี้ท่านเรียกว่าสักกายะก้อนความทุกข์เป็นความประชุมเอามาประชุมกันไว้ใหญ่โตสักกแะแปลว่าใหญ่ ก, กายะก็คือกายความประชุมมันใหญ่เอามาประชุมกันไว้ก้อนโตแล้วมันก็โตอยู่อย่างนั้นแล้วมันเที่ยงอยู่อย่างนั้นแหละ มันคงที่อยู่อย่างนั้นแหละมันคงอยู่อาจจะเรียกว่าเที่ยงจะเรียกว่าคงอยู่ก็ได้มันคงอยู่อย่างนั้นเป็นนิจจังแต่ได้อธิบายเล่าไปแล้วเมื่อกี้ว่าประเดี๋ยวคุณก็เสพสุประเดี๋ยวคุณอยากใหม่อะไรเนี่ยมันไม่เที่ยงสักทีมันไม่เคยเที่ยงอยู่เดิมๆฟังดีๆมันก็รู้ได้ใครก็รู้ได้ว่าเพราะฉะนั้นอันนิจจังก็มีอยู่นิจจังก็มีอยู่ฟังให้ดีนะอธิบายซ้อนนะ คนที่ยังมีนิจจังก็คือสักกายะยังเป็นนิจจังก้อนความทุกข์เหตุแห่งทุกข์ยังไม่ได้แปรปลนไปไหนเลยยังคงใหญ่มันไม่เที่ยงอีกคือมันยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอีกด้วยก้อนความทุกข์หรือเหตุแห่งทุกข์หรือความที่เราเองไม่เคยละล้างไม่เคยสละออกได้เนี่ยยังมีอยู่ และยังไม่เที่ยงที่ตรงที่มันอ้วนขึ้นมันโตขึ้นเป็นสักกะที่ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนี่คือความไม่เที่ยงไม่เที่ยงที่สวยแสนสวยฟังให้ดีนะอันนี้จังเนี่ยเป็นความไม่เที่ยงที่สวยเดี๋ยวจะมีความไม่เที่ยงที่เฮงฟังให้ดีอธิบายซ้อนนะใครเห็นก็เห็นนี่ทำมือไว้ที่จริงมันไม่ได้เป็นก้อนสักกายะหรอกนะ แต่ทําว่ามันเป็นก้อนๆให้มันมีกําหนดอะไรจะได้ไม่ซัดสายออกไปเป็นวิธีการอธิบายอย่ามาเข้าใจว่าก้อนทุกข์นี่มีช่อๆ อ, อย่างนี้อ่ก้อนทุกข์มันไม่เป็นช่ออย่างนี้เราเป็นสิ่งแทนสื่อแทนเท่านั้นเองเหตุแห่งทุกข์ของเราก็ยังคงอยู่ตัวทุกข์ของเราก็ยังคงอยู่เรายังไม่รู้มันได้ซ้ําบางคน บางคนเกิดปัญญาทิฏฐานแล้วรู้แล้วว่าอ้อถ้าเราอยากยิ่งไปอยากอบา ย, ยมุกยิ่งไปเสพไปหามาบําบัดบําเรออยู่มันยิ่งชั่วอยากมันยิ่งอยากจับอยากโงงงหนะนักนี่ก็อธิบายเสริมซึ่งเราก็พูดกันมาจนปากเปียกปากแฉะแล้วแม้อบา ย, ยมุกหม่เรายังอยากได้ราบได้ยศเรายังอยากในกาม มันก็ยังเป็นตัวอยากตัวทุกข์ก้อนแห่งทุกข์เหตุแห่งทุกข์เราได้สละปลดปล่อยอาการเหล่านั้นออกจากใจได้หรือยังถ้ายังมันยังเป็นสักกายะยังเป็นนิจจังยังเป็นของคงอยู่และมันก็อนิจจังแปลปรวนไม่ใช่แปลปรนไปทางเสื่อมนไปไปทางสลายเป็นทางจากะมันแปลปรนไปในทางที่มันไม่คงที่ในลักษณะยิ่งอ้วนขึ้น ยึงมีอะไรมากขึ้นจึงมีอะไรหนักหน้าขึ้นด้วยนั่นไม่คงที่ตรงนั้นและคงที่ตรงที่ว่าสักกายะยังไม่ลดเลยสักกายะเราคือก้อนทุกก้อนให้ก้อนเหกแห่งทุกเรายังไม่รู้หน้ามันยังไม่มีวิธีการที่จะลดละเป็นแต่เพียงว่าเบือ่อเบือ่อยากอยากอยากอเบื่อเบวนเวียนอยู่อย่างนั้นนานับกับกันกี่ชาติกี่ชาติก็ไม่รู้นะเพราะสิ่งนี้ถ้าเรียกว่า อนิจจังก็เป็นอนิจจังแท้ทุกขังก็เป็นทุกขังแท้อนัตตาเรียกอย่างโลกโลกอย่างเฉโกก็บอกว่าอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนของเราหรอกแล้วพวกเฉโกเขาก็ได้เข้าใจแล้วพวกเฉโกคือพวกฉลาดที่จะรู้เหตุผลแล้วเขาก็รู้เหตุผลแล้วว่ามันก็ไม่เที่ยงจริงๆกันแหละบำบัดไปให้มันได้แล้วมันก็ไม่เที่ยงมันทุกข์ก็หามาบำบัดมันเสียมันก็เป็นสุขแล้วมันก็ไม่เที่ยง แล้วเราก็ดิ้นรนไปสแสวงหาไปเสพสุขไปเพราะฉะนั้นคนที่มีฐานะดีคนที่มีสมรรถภาพพอที่จะสแสวงหามีความสามารถสแสวงหามาบำบัดทุกข์เหล่านี้ได้คนพวกนี้เขาก็ยิ่งไม่เห็นทุกข์เพราะฉะนั้นคนที่มีฐานะร่ำรวยมีเงินทองมีสมรรถภาพที่จะหามาบำบัดได้คนเหล่านี้ จึงไม่รู้ทุกข์เป็นที่สุดพระพุทธเจ้าจึงหัดให้จนหัดให้ไม่มีไม่ต้องมีเครื่องบำบัดไม่ต้องมีสิ่งที่จะเป็นอุปกรณ์ที่จะไปซื้อไปแลกเอาสิ่งที่จะเป็นอามิต h มาบำบัดบาบัดความทุกข์นั้นลองไม่มีดูสิไม่มีจริงๆนี่ห ล, หลายวันนานๆอาจจะกดข่มได้ชั่วระยะหนึ่ง ถ้ามันหลายๆนานมันไม่มีสิ่งที่จะไปแลกเปลี่ยนมาบํบาบัดเนี่ยจะทนอยู่ได้ไหมถ้าบอกว่าไปนานๆก็ดีเราก็ทนอยู่ได้เราก็ว่างสบายไม่เดื อ, รอดร้อนดินรนอีกเลยและมีแนวโน้มเห็นจริงโดยว่าอ๋อความไม่มีอารมณ์อย่างนี้ความไม่ต้องบํบาบัดอย่างนี้เป็นสันติเป็นปรมังสุขขัง นัตถิสันติปรามังสุขังเป็นความสงบสุขเป็นความราบร้อยเรียบรื่นอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้เหนือกว่าถ้าคนมาเห็นอย่างนี้ได้คนนั้นก็รู้ทิศทางคนนั้นก็พอใจที่จะสมัครใจเอาอย่างนี้ก็ย่อมไม่ไปเพิ่มไม่ไปหาหรือไม่ไปเอาสิ่งที่ต้องวนเวียนแล้ววนเวียนอีกนั้นมาอาทินี้จะอธิบายนิจจังสุขัง ตาให้ฟังสิ่งนี้เป็นอัตตาอยู่เป็นตัวตนอยู่ตัวตนของสักกายเรียกอัตตาว่าสักกายคืออัตตามันหยาบอัตตามันใหญ่เคยยืนยันให้ฟังแล้วว่าสั ก, กะสกกายก็แปลว่าตัวตนอัตตาก็แปลว่าตัวตนแต่คำว่าตัวตนของอาัตตานั้นมันละเอียดลึกซึ้งอยู่ในเนื้อในตัวที่ มีแต่ตัวแต่ตัวมากกว่าถ้าสักกายะรมัญยามันไปประกอบทั้งขครงนองกทั้งวัตถุทั้งอะไรต่ออะไรทั้งชั้นต่ำสักกายะนี้ทั้งมีความเป็นชั้นต่ำชั้นหยาบเลวซึ่งคนทั่วไปก็เข้าใจพูดแล้วก็รู้เรื่องได้มีลักษณะว่ามันตามมันหยาประกันเพราะในสิ่งที่หยาตาม่มที่เรายังไปติด เสพอยู่ในใจเป็นสักกายะนิจจังยังไม่ถอดถอนยังเท่าเก่าอยู่ไม่เท่าเก่าเพราะความติดนั้นเพิ่มขึ้นอ้วนขึ้นอยากจัดจ้านขึ้นมันเหนียวอยู่และเหนียวยิ่งขึ้นนั่นคือนิจจังที่อันิจจังแล้วก็ยังมีสุขอยู่สุขขังยังเสพสุขเพราะอิงอามิตร อิงสิ่งที่มาบําบัดหาอิงสิ่งที่ต้องมาเสพสมเรียกว่าสุขขังเพราะฉะนั้นสุขขังจึงไม่ใช่อริยสัตว์สุขขังจึงไม่ใช่อริยสัตว์เป็นสิ่งที่บําบัดเสพเมถุนเรียกว่าเมทุนคือจะต้องเอามาเสพสมและสุขสมเรียกว่าเมถุนนะเพราะนั้นถ้าเผื่อว่าเราไม่ได้ลได้ลดลงเลย ไอตัวสักกายะนี้มันก็เที่ยงอยู่อย่างนั้นแหละนอกจากไม่เที่ยงแล้วยังไม่เที่ยงที่มันอ้วนขึ้นทีนี้เราจะต้องให้สภาพนี้เป็นอนนีจังเหงิอนนีจังอย่างเหงคือสักกายะของเราเนี่ยเรารู้ตัวมาแล้วว่าเอเราจะต้องลดหาศีลหาพรตมาลดบอกว่าไม่เอาแล้วเราจะละจางคลายให้เป็นจาคาทิฐานให้มันลดละสละออกให้ได้แล้วก็ทำความลด จิตที่ต้องการนี่เบาบางลงมาให้ได้ไม่อธิบายวิธีการวันนี้แต่จะบอกตัวสัจจะอันนี้ตัวความรู้ความจริงอันนี้ชัดๆซึ่งเป็นความรู้โดยเหตุผลนะเพราะสิ่งเหล่านี้ไอตัวสักกายตัวนี้นี่นะจับไม่ได้นะว่าของเราเรื่องของเราของใครของมันสกกายตัวนี้หยาบด้วยว่างั้นนะสมมติว่าหยาบด้วยแล้วตัวตัวเหนียวแน่นหนาแน่นด้วย เราทำให้มันฟ้่มลงให้มันเล็กลงให้มันจางคลายลงได้นั่นคือความไม่เที่ยงที่เ่งและไม่นิจจังด้วยมันไม่อยู่เท่าเก่าซะแล้วส ก, กายยะตัวนี้ไม่นิจจังไม่คงอยู่ซะแล้วลดลงวิราคจางคลายลงสละออกได้หน่อยหนึง่งหรือสละออกได้มากขึ้นออกแล้ว ไม่คงอยู่อย่างเก่าไม่เที่ยงฟังให้ดีนะไม่เที่ยงที่เ่งเมื่อกี้ไม่เที่ยงที่สวยก็คือมันไม่อยู่เท่าเก่าแต่มันอ้วนกว่าเก่าความสวยเนื้อตัวทุกเนื้อตัวกิเลสเหตุแห่งทุกข์มันยังอยู่แล้วมันไม่เที่ยงที่มันอ้วนกว่าเก่าโตขึ้นเลยด้วยเป็นอนิจจังและเป็นนิจจังแต่ตัวนี้ อ, อนิจจังและไม่นิจจังเลย ไฟดีนะเป็นอ น, นิจจังจริงๆโดยไม่มีนิจจังเพราะนิจจังคือความคงอยู่อย่างเก่านะั้นสักกายะตัวนี้ไม่คงอยู่อย่างเก่าเล็กลงได้จางลงได้สละออกได้เรื่อยๆลดลงได้เรื่อยๆวิราคะลงเรื่อยๆนั้นเป็นความเป็นอริยะตั้งแต่เริ่มเรียกปวโสดาบันใครผู้ใดจับสักกายะได้แล้วหากรมวิธีลดละลงได้ ไม่เป็นนิจจังจริงๆไม่เป็นนะฟังให้ดีนะไม่เป็นนิจจังไม่คงที่ไม่คงอยู่อย่างเดิมลดลงได้จริงๆเริ่มลดลงได้จริงๆแม้จะยังไม่ลดยังยังไม่สิ้นเกลียยนก็ตามเริ่มลดนี่หละเราเรียกว่าอริยะในระดับหนึ่งระดับสองโสดาสกิทาลดสักกายะได้แล้วสักกายะไม่คงที่ไม่คงอยู่อย่างเดิม อัตราตัวเนือ้อตัวทุกและเหตุแห่งทุกหรือตัวที่หลงว่าสุขเสพสุขเนี่ยลดจางคลายลงจะไม่อร่อยเท่าเก่าแล้วจงรู้ให้มันด้วยปัญญาทิฏฐานด้วยสัจจาทิฏฐานรู้ด้วยความรู้รู้ด้วยความจริงว่าคุณลดแหมเดี๋ยวนี้มันไม่อร่อยเหมือนเก่าแล้วนั่นเป็นความเห่งของมนุษย์ประเสริฐ แต่ในความสวยของโลกแม้ไอ้นี่ไม่อร่อยเท่าเก่าเลยเสียดายจริงๆโอ้เสียใจนั่นเป็นความสวยของเขามากเขาจะติดจะยึดไม่ได้อร่อยเท่าเก่าไม่ได้เสพคลแม็กซ์เสมสมสุขถึงจุดสุดยอดไม่เท่าเก่าแม่เรานี่ตกต่ำแล้วไม่ใช่ตกต่ำนะั่นะนะตีลังกานะลงนรกนหะนะักกว่าเก่านะ แต่เขาไม่รู้ได้สัจจะไม่รู้ได้ปัญญาไม่รู้ได้ความจริงไม่รู้ได้ความรู้เขาไม่รู้หรอกแต่เรานี่มาศึกษาแล้วเราฟังให้ดีดนะฟังให้จับให้มันมัน่นพอสักกายะลดลงนั่นแหละคือความไม่เที่ยงและนิจจังก็ไม่มีนิจจังเริ่มถูกทาลายแล้วความคงอยู่หรือความคงที่ ของตัวร้ายของตัวทุกข์และเหตุแห่งทุกข์เริ่มลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นความสุขก็เริ่มลดลงอีกเรื่อยๆและความจริงที่เกิดด้วยปัญญาหรือปัญญาทิฏฐานก็จะเกิดยิ่งเห็นว่าโอ้ไอ้สุขนี่เป็นบําบัดสุขนี่มันจะต้องอิงอามิตรมีของที่จะคล้องไปบําเบอร์บเรเบําบำบัดเป็นความทุกข์แท้หนอที่จะต้องเป็นภาระ เป็นเรื่องที่ต้องสแสวงหามาให้มันเสพจะเห็นด้วยปัญญาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วเราก็จะเห็นความจริงว่าไอ้ตัวนิจจังนี่ถูกทำลายไปตัวสุขขังถูกทำลายไปตัวอัตตาแต่ก่อนเรียกอัตตานี่มาเรียกชื่อว่าสักกายะอัตตาแท้ๆนี่แหละเป็นตัวสักกายะถูกลดลงทาลายลงทำลายลง ถ้าจางคลายลงได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสักกายะนั้นเมื่อเรารู้ด้วยความจริงก็เป็นพนมิชฉาทิฏฐิทิฏฐินี่คือปัญญาทิฏฐินี่คือความเห็นเมื่อเห็นว่าออความเข้าใจอย่างโลกเป็นอย่างนั้นความเข้าใจอย่างธรรมะเป็นอย่างนี้เป็นสมาธิเป็นอย่างนี้เห็นว่ามันอันนิจจังเห็นในอนิจจังฟังดีๆนะนี่เ น, น, น้นอนิจจังที่มันมี ความละเอียดซ้อนคุณเข้าใจอา น, นิจจังลึกซึ้งขึ้นไหมอ น, นิจจังสวยกับอั น, นิจจังเฮงไม่รู้จะเรียกว่าอะไรอา น, นิจจังอสุภะเรียกว่าสวยอสุภะแปล ว, ว่าไม่ไม่ไม่ดีไม่ไม่ใช่โชคเลยไม่ดีเลยอสุภะแปล ว, ว่าเลวอ น, นิจจังอย่างเฮงเรียกว่าอั น, นิจจังสุภะ มีโชคมีดีสุภาษณนี่แปลว่าความดีเป็นอนิจจังอย่างสุภาษเป็นอย่างไรอนิจจังสุภาหรืออนิจจังเหงก็คือเราได้รู้ตัวสักกายะตัวเหตุแห่งทุกตัวทุ ก, ต, ทกตัวเหตุแห่งทุกในตัวเราเนี่ยลดลงแล้วสักกายะลดลงแล้วคืออัตตาใหญ่นั่นอนะ่ะมันลดลงมาลดลงมาเริ่มแรกเพียงรู้นี่พ้มิจฉาทิฏฐิเห็นอนิจจังรู้อนิจจังที่แท้จริง เพราะฉะนั้นผู้ใดมีผัสสะเป็นปัจจัยตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกทวารทั้งหในมิจฉาทิฏฐิสูตรผู้พ้นมิจฉาทิฏฐิคือผู้ที่เกิดแจ้งในอนิจจังเริ่มต้นเกิดปัญญาทิฏฐานและมั่นแน่ลงไปที่สัจจาทิฏฐานที่ความจริงเพียงรู้ก็พ้นอนิพพ้นมิจฉาทิฏฐิแล้ว เริ่มต้นรำเดีนี้เริ่มต้นลดได้จริงนิดจังเริ่มเปลี่ยนจริงๆมันมีอยู่สมมุติว่าร้อยหน่วยตัวทุกตัวเหตุแห่งทุกมีร้อยหน่วยก้อนสักกายะนี้ร้อยหน่วยพอเริ่มต้นปฏิบัติเริ่มต้นรู้เริ่มต้นประพฤติ ม, มันจาลงมาแม้ลดลงมาเหลือ9กหน่วยคุณก็เริ่มลดสักกายะเริ่มเข้าสู่สภาวะทุกขนั้นลด เหตุแห่งทุกข์นั้นลดหนึ่งหนึ่งละหนึ่งหน่วยละนี่เรียกว่าลดสกายะผู้ใดเห็นทุกข์ลดเรียกว่าลดสกายะเห็นเหตุแห่งทุกข์ลดเห็นกิเลสตัณหาเราลดนั่นคือลดสกายะลดโดยอริยสัจจะข้อทุกเหตุแห่งทุกข์เดินทางเข้ามาสู่ทุกนิโรธแต่ยังไม่ถึงนิโรธนะ ขณะนี้อธิบายอยู่นี่ยังไม่ถึงนิโรธเราลดได้จริงต้องมีสัจจะมีความจริงของใครของมันรู้เป็นปัจจัตตังไม่ใช่รู้ภาษารู้เป็นปัจจัตตังรู้เองเห็นเองเลยเห็นสภาพนี้มันไม่มีตัวตนจิตของเรากิเลกก็ไม่มีตัวตนจิตติดจิ ต, จตยึดก็ไม่มีตัวตน <c oughs> มีความจริง เพราะฉะนั้นสุขขังหรือว่าสุขอย่างโลกโลกโลกีลกสุขกามสุขสุขผสมใคร่สมอยากและได้บำบัดอยากบำบัดความต้องการแล้วเรานึกว่าเป็นสุขความจริงอันนี้ลดลงจางลงไม่ยึดมัน่นถือมั่นเหมือนอย่างเก่าแล้วบอกเออช่างมันเทองไม่ได้สุขอย่างนั้นเราก็ไม่ว่าอะไรยิ่งเข้าใจอย่างลึกก็ยิ่งไม่ต้องไปบำบัดสุขอย่างนั้นสิยิงจริงยิ่งชัด สักกายะลดลงลดลงลดลงลดลงก็คือตัวทุกข์เห็นมันเป็นตัวทุกข์เห็นมันเป็นตัวทุกข์มันยังมีสักกายะอยู่เท่าใดยิ่งทุกข์ใหญ่เท่านั้นลดลงมาเท่าใดทุกข์ลดลงเข้าหานิโรธจนกระทั่งเหลือ น, น้อยเราเรียกว่าตัวตนเหมือนกันแต่ท่านี้เปลี่ยนภาษาไปเรียกว่าอัตตาถ้าเรียกสักกายะนี่เป็นของระดับต้น ซึ่งผู้ที่เรียนมาดีแล้วก็คงไม่สับสนเราเรียกเป็นบาลีเขาเรียกบาลีเขาก็เรียกสากายะแล้วก็มาเป็นอัตตาแต่พอมาภาษาไทยมาแปลว่าตัวตนมันทั้งคู่มันก็เลยงงงันอย่างนั้นนะสากายะก็แปลว่าตัวตนอัตตาก็แปลว่าตัวตนคนไทยก็แปลว่าตัว ต, วตนซ้ําภาษาซะแล้วแต่ที่จริงมันก็จริงมันก็ตัวตนของเรานั่นแหละเรานี่แหละโง่เรานี่แหละไปสะสมไว้ให้ตนเรานี่แหละ มันเป็นตัวไม่รู้จักตีแตกเป็นนิจจังอยู่ได้เพราะงั้นมันลดลงมาลดลงมาเล็กลงเล็กลงจางคลายลงมาได้เท่าไรตัวทุกข์และเหตุแห่งทุกข์ลดลงลดลงเหลือน้อยเราก็เรียกว่าอัตตาเหลือละเอียดเหลือชั้นสูงขึ้นเหลือชั้นสูงขึ้นมีนัยยะละเอียดขึ้นสูงขึ้นเจริญขึ้นหรือน้อยลงตัวสักกายะตัวเหตุแห่งทุกข์ตัวผีร้ายตัวทุกข์แทๆ้ๆน้อยลง และยังต่ําก็พ้นมาได้เรื่อยๆจึงเข้ามาหาสภาพตัวอัตตาแท้ในความทุกข์และเหตุแห่งทุกข์ที่เป็นอัตตาที่ว่าเนี่ยถ้าเราจำเพาะกําหนดลงไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง mm. ก็เอาชัดๆเจาะลงไปเฉพาะเรื่องนั้นสมมติว่าเหตุหรือปัจจัยเพราะเหตุอันนี้อันนี้เป็นสมุทยัยเพราะเหตุแห่งตัวของหยาบสมุติของห ย, ย, ย, ยาบก่อนแล้วกันจะได้เข้าใจทวนทัว่วชัดๆ เราไปติดอบายามุกเอาคํากลางเลยนะว่าอบายามุกไอตัวอบายามุกนี่แหละเรื่องนี้แหละมันทําให้เราทุกข์อยู่แล้วก็เรามาละล้างจ่าขะจากขะจ่าขจ่าขะสละออกได้สละออกได้จริงๆไอตัวทุกข์ลดลงลดลงลดลงลดล ง, ลดลงน้อยลงน้อยลงปัญญาเราก็ยิ่งเห็นชัดปัญญาเราก็ยิ่งเห็นจริงความจริงก็ยิ่งเกิดจริงไม่ใช่เหตุ ไม่ใช่ผล palm, ไม่ใช่ตักกะแต่เราปฏิบัติจริงเห็นความจริงของนิจจังไม่เที่ยงแล้วตอนนี้นิจจังมีไม่เที่ยงแล้วเป็นอนิจจังแล้วลดลงลดลงลดลงลดลงเป็นอนิจจังสุภะเพราะมันลดลงและนิจจังมันก็ไม่เป็นนิจจังแล้วตอนนี้มันไม่เที่ยงจริงแต่ก่อนนี้มันยังโโหทักก้อนเท่านี้มันยังไม่มันยังไม่ลดลงเลยคงอยู่แล้วมันยังคงมากขึ้นอีกด้วยคงเพิ่มขึ้นอีกด้วย มันสวยเลยเป็นอสุภะหรือเป็นอานิจังสวยอันนี้เป็นอานิจังแหง่งอานิจังสุภะลดลงและไม่เป็นนิจังแล้วไม่มีนิจังฝ่ายดีนะคุณจะได้รู้ว่าโอ้อนิจังจริงๆแล้วอานิจังที่ไม่มีนิจังแต่อันิจังที่มีนิจังเป็นอย่างไรหรือทุกขังที่ยังมีทุก ข, ขังและเป็นสุขขังเป็นอย่างไรตอนนี้ทุกเราลดลงมาเรื่อยๆแล้วนะ เป็นทุกขังแต่ทุกขังเราลดตัวลงมาลดตัวลงมาเหตุ <c oughs> แห่งทุกข์กรจางคลายลงมาจางคลายลงมาสุขก็น้อยลงน้อยลงเพราะบำบัดมันบำบัดน้อยลงสุขก็ไม่จีจ่าเหมือนอย่างเก่าแล้วสุกดนิดๆหน่อยๆสุกดนิดๆหน่อยๆก็พออยู่อยู่ได้โดยสบายยิ่งจะอยู่ได้เมื่อเวลาเรายิ่งเกิดปัญญาเกิดญาณทัศนวิเศษยิ่งเห็นว่าโอ๊ย ไม่ต้องมีนี่มันยิ่งไม่ต้องเน็ดเหนือแล้วมันไม่มีความจําเป็นอะไรที่จะต้องมีรถสุขอย่างบําบัดเป็นโลกีเยสุขหรือเป็นกาเมสุขเป็นกาเมสุขันริกานุโยกเป็นกาเมสุขคาริกาอย่างนี้ไม่ต้องก็ได้ลดลงมาจนเหลือ น, น้อยตอนนี้เข้าสู่ฐานอัตตานิจังสุขขังอัตตาเข้าสู่ฐานอัตตาคุณจึงจะ รู้จักว่าอัตตาคืออะไรจงรู้ความแตกต่างของส ก, กายะและอัตตาให้ชัดเอาอัตตามาบรรยายกันก่อนว่าตัวตนแล้วก็ไปพูดยอดเลยด้วยความตกะกะจะตัดอัตตาให้เป็นอนัตตาเลยโดยไม่มีเบื้องต้นทำกลางบรรปลายาศาสนาจึงมีแต่เหตุผลและมีตะกะมีแต่เหตุผลของทางนึกคิดเท่านั้นแล้วเขาก็จะไม่เคยรู้เลยไอ้สิ่งที่กำลังอธิบายอยู่เนี่ยกำลังพูดเนี่ย ใครตั้งใจฟังดีๆรู้และใครยิ่งปฏิบัติมาแล้วได้สอบทานสิ่งที่เป็นสภาวะธรรมของตนเองแล้วด้วยคนนั้นก็จะเข้าใจอย่างชัดแจ้งว่านี่เป็นอัตตามันมีสภาวะนะไม่ใช่อัตตาเพียงเหตุเพียงเหตุผลแล้วเรากำลังแสวงหาซอกซอกซอนซอนอยู่อย่างไรก็ไม่รู้ยิ่งคนใดมีฐานะดีบอกแล้วร่ำรวยมีเงินที่จะเป็นแลกเปลี่ยนมีสมรรถภาพที่จะไปสแสวงหามาได้โดยสามารถ คนนั้นก็ยิ่งเหมือนเขาไม่ทุกข์เลยตลอดมีชีวิตอยู่80ปีร้อยปีพันปีเกิดอีก3ชาติหชาติถ้าเขายังทำบุญทำทานอยู่ด้วยเขายังเป็นผู้ที่ไม่เป็นหนี้เพื่อยังไม่จ้องไปยากไปจนไม่ต้องมีวิบากอะไรเขาก็จะร่า ร, รวยอยู่อย่างนั้นแล้วเขาก็จะมีเจ่าชาติที่สั่งสมก้อนนิดจังก้อนกินเลสนี้หนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้ น, น, นดูความซวยที่ซ้อน เพราะฉะนั้นถ้ายังไม่หัดจนเมื่อไรจะยังไม่รู้จักทุกจะยังไม่กล้าจนไม่กล้าไม่มีดูสิเขาจะไม่รู้ความจริงง่ายๆเลยคนพวกนี้เพราะเขาบำบัดมันเสมอทุกเมื่อไรบำบัดมันเสมอทุกเมื่อไรมาบำบัดมันเสมอแล้วเขาก็เรียกมันว่านี่คือสัมมารอริยมรรคพอดีพอดีถ้าไปไม่ให้มันเอามาก็ฝืนลวเมื่อไม่ให้มันฝืนก็ไปมันทุกเขาก็ว่า เ, าเรื่องอะไรลราก็ ให้มันมันก็บําบัดทุกเขาไม่รู้ทุกบําบัดทุกการมสุขกับทุกขที่ลดน้อยลงจางคลายลงทุกทุกที่เป็นจากะไม่ใช่ทุกความสบายจะเรียกว่าความสุขก็เป็นวุปสมโมสุขความสบายหรือความพ้นทุกขที่มันไม่ต้องบําบัดกับความพ้นทุกขที่เขาบําบัดเขาแยกไม่ออกเขาเข้าใจไม่ได้คุณฟังอยู่เดี๋ยวนี้คุณเข้าใจไหม ความสุขที่ได้บำบัดเสพสมกับความสุขที่มันไม่ต้องแสวงหาให้มันมันเบาง่ายขึ้นเพราะจาขาทิฐานเกิดความได้สละปลดปล่อยจากนิจจังกลายเป็นอนิจจังที่เ่งนะสุภาพนะคือตัวมันลดลงตัวใหญ่ส ก, กายยะตัวตนใหญ่มันเล็กลงจางลงจืดลงหมดลงไปสู่ความทิฏฐานความไม่มี ไปสู่สภาพอนัตตาหรือสุญญาตาเพราะฉะนั้นเมื่อมาอธิบายมาถึงจุดเห็นอัตตาจับได้แล้วแม่เล็กน้อยปัญญาเราก็จะรู้ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นถ้าคนใดไม่มีปัญญาที่เป็นอธิฐานหรืออธิปัญญาไม่มีอธิปัญญาตัวที่จะละเอียดเข้าไปรู้อัตตาตัวเล็กตัวน้อยนี้ได้อีกมันก็จะเหลือเชือ้อเหลือเชื่ออันสุขขุมแยบคาย เรายังไม่มีภาวะปฏิบัติที่จะต้องละเอียดละ อ, อกระทบสมบัติต้องกระแทกกระทุงถ้าไม่กระแทกกระทุงเขาก็นอนเป็นอาสวะหมักดองแตกตัวมันยังไม่หมดเชื้อขนาดหนึ่งขนาดหนึ่งมันจะเป็นอาสวะเรียกว่ามันนอนนิ่งมันเบาเราเองก็เป็นคนหยาบแม้มันกัดเท่านี้ก็ไม่รู้สึกห น, นังหนาเหมือนหนังแรบ มียกเอาทาหอนเปลี่ยนให้ฟังมันเหมือนหนังหนาหนังแรตเขาไอตัวกิเลสก็ น, นี่มันกัดกร่อนอยู่ขนาดนี้ก็ไม่รู้สึกว่าทุกข์ไม่รู้สึกว่ามีทั้งๆที่มันมีอยู่แต่มันเบาแน่เพราะมันเล็กลงเพราะฉะนั้นถ้าจิตไม่แยบคายไม่มีความรู้สึกที่ละเอียดแยบคายแล้วจิตวิญญาณไม่ละเอียดมันก็จะไม่รู้ว่าโอนี่มันยังกัดกร่อนอยู่นะนี่ตัวเล็กตัวน้อยเบา แต่เราก็จะต้องรู้จนเราแยบคายิ่งกว่านั้นแม้มันกัดเบาเท่านี้เราก็จะรู้มันแรงขึ้นเพราะจิตของเราละเอียดละเมียดละไมแววไวมุดทุยิ่งขึ้นเซนสตีฟยิ่งขึ้นตัวมันกัดมีอํานาจกัดมีอํานาจจรมีอํานาจทําทุกขนาดนี้ประมาณขนาดหนึ่งสมมุติว่า x ถ้าคนที่มีจิตละเอียดจะรู้ว่า x นี่หยาบ ถ้าคนมีจิตหยาบจะไม่รู้เลยว่า X มีค่าทั้งตั้งที่เท่าเก่านี่แหละมันกัดอยู่ในอำนาจความกัดหรือความก่อนหรือความทุกอำนาจความทุกทำงานอยู่ค่าเท่า X คนมีจิตละเอียดจะรู้สึกว่าโอ้มันมีบทบาทมันมีทุกมันมีตัวงานตัวร้ายแต่คนจิตหยาบจะรู้สึกว่า X ไม่มีค่าทั้งต้ที่มันมีอยู่ คนที่ไม่เข้าใจคณิตศาสตร์สมมติว่า x ก็อาจจะง ง, งไม่รู้จะสื่ อ, อยังไงอีกสมมติว่าตัวนี้มันมีค่าเท่ากับตัวกอแหมมันก็ไม่รู้เรื่องอีกแล้วทั้งไม่ได้เรียนคณิตศาสตร์แบบพิชคานิหรือแบบอะไรมาถ้าเรียนมาก็จะรู้ได้เนี่ยในายามัน ล, ลึกละเอียดอย่างเงี้ยมันจึงจำเป็นจะต้องทำจิตให้แยบคายจะต้องละเอียดสุขุมประณีตสงวรระวังสารวมรับรู้เสมอ มันเข้าอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการปฏิบัติมรรคองแปดจะต้องมีผัดสะเป็นปัจจัยจะต้องมีสติสัมปชัญญะรู้เสมอนี่จิตเราก็จะละเอียดละเอียดแยบคายโอ้มันกระแทกกระทันเราอยู่ตลอดเวลาเราก็ไม่รู้แล้วมันก็กัดก่อนเราไม่รู้ยิ่งคุณทำลืมหรือไม่มีอะไรกระแทกกระทันเลยไอ้ตัวนี้ก็กัดก่อนอยู่ X ก็ยังเป็นตัว X แตกตัวแล้วก็หมักดองเขาเรเรียกว่าอาสวะแปลเป็นไทยว่าเครื่องหมักดองแท้จริงสวะนี่แปลว่าตัวตน เหมือนกับอัตตาเหมือนกับสักายะสวะนี่แปลว่าตัวต น, นไปเปิดประธานุกรมบาลีดูอาสวะ ต, วตัวตนที่เป็นอาตัวนี้นี่นำหน้าเนี่ยมันเหมือนเป็นไม่เป็นเหมือนอาหารนี่มันเหมือนอยู่ไม่อยู่แล้วเขาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องกันนะตัวอาที่เป็นอุปสรรคนำหน้าเนี่ย มันเป็นตัวนําหน้าเนี่เป็นตัวขยายที่ว่าต้องเอาปัญญาเข้าไปร่วมจึงจะรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งนั้นถ้าไม่มีปัญญาเข้าไปร่วมแล้วจะไม่รู้สิ่งนั้นเป็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นจะรู้ตัวตนก็ต้องมีตัวรู้ถ้าไม่มีตัวรู้มันก็เป็นอาสวะคือเป็นตัวตนที่ไม่ไ ม, ไม่รู้เรื่องกันอยู่นั่นเองถ้ามีปัญญาเราถึงจะเห็นสวะตัวนี้มาเป็นภาษาไทยว่าสวะสวะ มันเป็นของทิ้งนะไม่ใช่ของที่จะรักษามันอยู่มันเป็นของที่ควรเอาออกเพราะะเมื่อถึงอัตตาหรือถึงสวะอาสวะอย่างนี้ถ้าไม่แยกคายเราก็นึกว่าเราได้แป่นแล้วจริงเราเบามาขนาดหนึ่งแล้วนะจริงนะศาสนาหรือสีเดียรถีทั้งหลายแลไม่รู้ทั่วถึงถอนอาสวะไม่ได้ นั่งสะกดกดจิตกดใจให้มันตื่นขนาดหนึ่งแล้วตายเบื้องลึกสิ่งที่เป็นอัตภาพอัตตาอันลึกพวกนี้ไม่ปฏิบัติอย่างกระทุกเงินแทกแบบธรรมชาติแบบที่อยู่กับคนนี่แหละกิเลสมันอยู่กับมนุษย์มีผัสสะเป็นปัจจัยต่อตาหูจมูกลิ้นกายใจทวารทั้งหกนี่แหละมันจะอยู่อย่างนี้ถ้าคุณเป็นหลบแล้วก็ไปทาความสะกดด้วยยิ่งสะกดมันก็ยิ่งถือยิ่งตือยิ่งไม่ค่อยมีปัญญา ไม่เกิดปัญญาทิฏฐานไม่เกิดสัจจทิฏฐานอาจจะมีสัจจาทิฏฐานในส่วนห ย, ยาบๆพออนุมานเอาแล้วก็ทําวิธีการด้วยปิดทับไว้เลยทําเหมือนกับไอ้แผ่นคอนกรีตปิดทับข้างล่างไว้ไอ้ข้างล่างเยอะเลยเขาเยอะแตกตัวเท่าไหร่ถ้ามันมีจํานวนมากจนไม่มีสเปซให้มันอยู่มันจะระเบิดไอ้แผ่นนี้ตะตูมออกมาเลยเพราะฉะนั้นใครเล่นประเภทที่ว่า กดดันกดดันกดดันสะกดสะก ด, สะก ด, ส, ะกดสะกดเอาไว้นะวันหนึ่งจะระเบิดออกมาตูมตามแรงแรงด้วยเพราะมันอัดอัน่นมันเป็นแรงระเบิดที่สุดสุดที่จะอำนาจความดันเอาไว้มันเต็มที่มันก็จะระเบิดออกมาแรงแต่ถ้าปฏิบัติตามมรรคองแปดของพระพุทธเจ้าแล้วจะโกยออกโกยออกไม่มีระเบิดแล้วรู้ด้วยมีปัญญาทิฏฐานมีสจัจจิฐานมีจาคาทิฐาน มีการสละออกเห็นเห็นรู้รู้ชัดแจ้งโดยมกักองคแปดโดยฐานแต่ละฐานะแบ่งมาทำทีละฐานะทีละฐานะไม่ได้ตะกละกรรมวิธีของพระเจ้าดิศีนสมาธิปัญญากำหนดหลักเกณฑ์กำหนดความค่าความปราบความกำราบชำระลงไปตามหลักของความสามารถฐานานุฐานะใครฐานอ่อนก็เอาแค่นี้ก่อนอันนั้นมันเกินแรงเราเรายังไม่ต้องเอา ตั้งศีลตั้งพรตเขาเท่าที่มันละเอียดมันพอเหมาะแล้วก็ทําจริงๆเลยทีเดียวทำจริงจริงวันนี้ ว, นวันวิสาขบูชาฟังดีๆนะเรามานั่งเรียนนะผีนี่มันแรงร้ายเลยผีฟุงซ่านฝีผีผถีนมิทะผีกามผีพยาบาทอะไรอย่าให้มันเอาจิตออกไปฟังทำอย่างชานให้มีชานอย่าให้มีนิวรณ ถ้าไม่มีนิวรณ์แล้วก็ต้องรู้วิจิกิจช้าก็คือความไม่รู้ความสงสัยว่าเรามีนิวรณ์หรือเปล่ารู้ตัวอาการพยาบาทอาการกรามเป็นอย่างนี้อาการถีนะเป็นอย่างนี้อาการทีนมิทะอาการฟุ้งซ่านเป็นอย่างนี้รู้มันอยู่ในตัวเราในจิตเราให้เข้าใจว่าขณะนี้เราจิตเรามนสิการตั้งใจแม้เป่งเลยเบิกบานรา่าเริงฟังรู้ดีเข้าใจดีนั่นคุณกําลังฟังทำด้วยฌานมีเอกคตารม์ มีอารมณ์อยู่ในนี้ไม่ใช่อารมณ์ซัดสายหรือไม่ใช่อารมณ์หลีไปหรือฟุ้งออกไปมีอารมณ์ที่ไปปรุงกับเรื่องอื่นไอ้กามมากวนในพยาบาทมากวนหรือไอ้ความง่วงมากวนไอ้ฟุ้งซ่านมากวนไม่มีคุณเห็นให้ชัดอย่าสงสัยตัวเองเมื่อมีนิวร์เมื่อร่างนิวร์ไม่มีนิวร์นี้แหละเรียกว่าฌาน แล้วยิ่งฟังทำด้วยก็ดีหรือปฏิบัติพิจารณาธรทำวิจัยมีสติสัพชัญญารู้ทุกอิริยาบถของเราก็ดีนั่นคือจิตมีฌานจิตปฏิบัติสอดส่องมีรู้มีเห็นไม่วุ่นวายไปอื่นอะไรนอกอะไรมากมายนั่นจิตเป็นฌานอยู่ในอิริยาบถอะไรกายกรรมเราก็รู้กายกรรมของเราอยู่รอบทวนนี่เป็นฌานวาจีกรรมเรากําลังพูดอยู่นี่เราก็รู้เร็วมุทุ เร็วแววไวมุทุละเอียดแยบคายพูดออกไปก็รู้เดี๋ยวนี้ปรุงเดี๋ยวนี้ก็รู้รู้แม้กระทั่งกำลังปรุงนะ น, นี่เป็นตั ก, กะวิต ก, กะสังกะปะวจีสังขารจิตเราก็ตรวจซ้อนอีกว่ามีกิเลสไหมหรือว่าเป็นอัปปนาพย ป, ปนาจิตสังขารนี่เป็นจิตที่ได้เอากิเลส ข, ของตนเข้ามาร่วมหรือเปล่าหรือนิวรมร่วมหรือเปล่าเป็นความต้องการอย่างแรงหรือเปล่าพยาบาทหรือเปล่า ถ้าไม่มีพยาบาทไม่มีแรงไม่มีราคะไม่มีโทสะอะไรก็รู้จริงและอย่าหลงผิดนึกว่าเราไม่มีราคะแต่เรามีราคะเป็นราคะขันอภิอภชวิสมะโลภะด้วยก็ได้หรือว่าเราไม่มีนึกว่าเราไม่มีโกรธไม่มีเคืองที่จริงบำบัดพยาบาทของเราแล้วอาฆาตอยู่ในในแล้วก็บำบัดพยาบาทด้วยคารมวาจาหรือด้วยกรรมกิริยาอะไรก็ได้ ก็จะต้องรู้ให้ชัดจริงๆผู้ใ ด, ดทำจนกระทั่งมาถึงขั้นอัตตาเล็กๆๆน้อยเนี่ยตามรู้อัตตานี้จนกระทั่ ง, งไม่เหลือแม้อาสวะไม่เหลือแม้รูปอรูปตามอย่างแยบคายคุณจะเกิดจิตแยบคายจริงไม่เฉดเดาคุณจะสามารถรู้เพราะคุณมีความจริงปัญญาชําแรกลงไปมีจริง ตัวตามรู้สิ่งที่เหลือเศษของคุณเองมีจริงและคุณก็สละเป็นจารคาทิฐานของคุณจริงๆคุณจะจะสู่ฐานอุปสมะสู่ฐานสงบสู่ฐานนิพพานแม่เรื่องเดียวแม้ตัวอย่างว่ายกว่าเอาเรื่องอบายมุกใดไอบายมุกหนึ่งของใครของมันเรื่องเดียวนั้นคุณก็จะพบตัวอย่างของ ฐานนิพพานแม้คุณดับได้สนิทอนัตตาแล้วตอนนี้ไอตตต้ตัวเหตุตทุกตัวเหตุแห่งทุกไม่มีนิโรดนิโรสนิท ด, ดับทุ ก, ก็ดับสนิทเหตุแห่งทุกก็ดับสนิทสัมผัสอยู่เดี๋ยวนี้โดยธรรมชาติไม่ต้องเจตนาแล้วคุณจะพัดผ่านเองคุณจะหมดเมทุนเลยตั้งแต่หนึ่งไปจนถึงหเมทุนหมด ฟังให้ดีนะเมถุนสังโยคถึงฐานที่หมดตั้งแต่วางแล้วไม่ทำอย่างรูปตรงแต่ยังมีนวดมีฟันมีแตะมีสัมผัสเสียดสีเรียกว่าเมถุนข้อที่หนึ่งยังมีนวดมีฟันมีสัมผัสมีเสียดสีมีกระทุ่งกระแทกกระเทือนกันพอสมควรแล้วก็เกิดอาการอารมณ์ชอบอารมณ์สมใจไม่มีแล้วุ่ปพนเมถุนที่หนึ่ง อาเมทุนที่สองยังเอียวๆโดยไปในทางอื่นอยู่ยังจะต้องเป็นสภาพได้ยินชอเลาะพูดอซอหรือไม่มันไม่ใช่อซหรอกมันพูดในเรื่องนี้แหละมันได้เรื่องนี้ไม่ถึงกับแตะตัวแต่ได้ยินเป็นเสียงมันห่างตัว แต่ก็ยังเป็นรูปประทรมชนิดหนึ่งที่มาบาบัดกระทบในหูหรือประเภทอีกเมถุนระดับสามไม่ได้หูหรอกไม่เป็นเสียงหรอกไอเสียงนี่ซอกซอนไปได้ทั่วแต่ไอตาทีนี้เป็นรูปที่ละเอียดขึ้นไปอีกอยู่ในสายตาอยู่ในคลองตามันจึงจะเห็นถ้ามาอยู่ในสายตามาอยู่ในคลองตาไม่มีแสงประกอบ ไปไม่ได้ไอตัวกระทบตัวนี้ไปไม่ได้เรียกว่ามันมันละเอียดกว่าตัวเสียงตัวเสียงนี่ที่มืดก็ไปที่สว่างก็ไปแม้มีฝามีกําแพงพัดทะลุได้มากเพราะฉะนั้นความละเอียดของเมทุนข้อ2กับข้อสนี้ก็ลึกละเอียดขึ้นเป็นไวยะอย่างที่กล่าวนี้เพรา ะ, ะยังจะได้ศพเนตรยังจะได้เห็นได้ตาอยู่หนึ่งได้ยินได้หูก็ยังเป็นสุข ไม่นวดไม่แตะไม่สัมผัสอย่างจริงๆแล้วได้ยินได้หูก็ยังเป็นสุขก็ไม่ละลดได้ไม่ได้ยินด้วยหูตาต้องเฉพาะแต่ตาต้องสัมผัสจึงจะสุขก็ลดได้อีกเป็นเมถุนข้อที่สเมถุนข้อที่สทีนี้นะแม่จะแอบฟังไม่ได้เป็นเสียงที่ต้องการนักขอให้มันมาจากตัวตนนั้นเถอะ แม้ได้เสียงร้องไห้ของเธอฉันก็ชื่นใจตอนนี้ทะลุฝาทะลุ ก, กำแพงมาไรๆอย่างไรก็พอใจให้อ่อนให้บางก็ยังคลายแม็กสมใจได้เป็นข้อที่สี่มาละเอียดขึ้นฟังให้ดีนะมาละเอียดขึ้นโดยนัยะที่เอาอุทาหรเอารูปพวกนี้มาอธิบายถ้าเราเข้าใจมีปฏิพานสูงกว่านั้นก็คือสิ่งที่เป็น ทุกสิ่งที่เป็นเหตุแห่งทุกที่จะมาบำบัดนี้ละเอียดยิ่งขึ้นและห่างตัวยิ่งขึ้นละเอียดยิ่งขึ้นและห่างตัวยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเมทุนในระดับสีเนี่ยเอาในยะของเสียงมาเสียงนี้ไม่ต้องดีไม่ต้องวิเศษไม่ต้องประนีตเหมือนอย่างก่อนถ้าก่อนไม่ได้ประนีตเท่านี้เราไม่พอใจต้องไปเสียงชอเลาะเป็นเสีย ง, เ ป, เ, ยงเป็นราคะเป็นเชิงที่อย่างนั้นมากหน่อย อันนี้ไม่ต้องแล้วเสียงแปรปลุจะมาจากตัวเธอหรือมาแต่จากเหตุอันนั้นแม่มันพิเรนพิลึกกับกันเสียงร้องไห้ก็ยังเอาเสียงกระดิกรกระซิอะไรไม่เขาเรื่องก็เอาขอให้มีส่วนอยูน่นี่เป็นเศษเหลือ เพราะฉะนั้นป่วยการกล่าวไปใหญ่ถึงเรื่องที่เลยกว่าต้องกระทบสายตาไม่กระทบสายตาดันล่องลอยมาตามสายลมเป็นข่าวเป็นคราวก็ยังดีคลา ย, า ย, ยางั้นแม้จะเป็นข่าวคราวนี่เหมือนกับเสียงทะลุ ก, กำแพงทะลุ้าอะไรมาและเป็นเสียงเรื่อ่ําลือมาเป็นเรื่องร่ำลือกล่าวถึงมีใครมาบอกข่าวนิดหน่อยได้ยินเสียงชื่อเธอแค่นั้นก็รู้สึกเป็นสุข แม้ไปนในทางเลวร้ายก็ยังได้บาบัดอะไรเงี้ยนะเป็นข้อที่ห้าข้อที่ 4, 4ถูกแล้วอ่ะ4ข้อที่หทีนี้ไม่ต้องมาทางฝาทางดินนำอะไรมาทางทิศเหนือทิศใต้แล้วแต่นี้ระลึกเอาเองเลยนั่งระลึกเอาเอง ใจนี่นั่งระลึกเอาเองเลยระลึกถึงอดีตระลึกถึงสิ่งที่ผ่านมาถึงความจําได้คุยเขียนนั่งฟุง้งซ่านระลึกหรือไม่ระลึกละมันขึ้นมาเองคุณลันแหละตัวซวยหนักและตัวที่มันหยาบละอุตสา์ดันอุตสาจะพยายามกลบเกลนไม่คิดไม่นึกมันก็ยังมาอยู่ในจิตใจในะเลว่าเราอ่อนแอมากมันยังมารบกวนเราอยู่อ่อนแอมาก เป็นอดีตเป็นความจําเป็นเรื่องน้นเรื่องนี้มันยังมากวนอยู่นั่อ่อนแอมากแม้ไม่อ่อนแออย่างนั้นแข็งแรงกว่านี้แล้วเราก็เพลเพอะแล้วมันก็ลึกละและนึกล้นึกถึงละเพลเพอะก็นึกถึงละถ้าไม่เพลอพอทนถ้าไม่เพลอก็พอทนหรือทำงานทําการนนนี่เสียเออไม่มีไปทํางานทําการไปทํากิจนนเกิดกไปใส่ใจกันนนกันนี่ไปเพราะงั้นการทํางานจึงเป็นการ แก้ตัวที่คุณจะเอามาปรุงเอามาเสพเอามาบนเวียนเกี่ยวข้องอยู่เพราะการงานปกติตามธรรมดามนุษย์วันหนึ่งคืนหนึ่งก็แก่ทีนี้พอตกเวลาว่างคุณก็ต้องตั้งสติให้รู้เท่าทันสติทวารใจโดยตรงเมื่อว่างเมื่ออยู่เฉยเมื่ออยู่เดียวเมื่อไม่มีอะไรมากวัวในทวารทั้งข้างนอก ก็ต้องมีใจอันแข็งแรงรู้เท่าทันนี่มานะไอเรื่องไอเจ้านี่มานะมีวิธีอะไรก็บอกแล้ววันนี้มาอธิบายวิธีทำลายออกไม่ให้อดีตนั่นมารบกวนไม่ให้เรื่องราวนั้นมาวนเวียนอยู่ในจิตทำลายออกนี่เมถุนอันที่ห้าแม้คุณมีความสามารถในเมถุนระดับที่หานี้ก็พ้นได้ไม่อดีตไม่มากวนละ เราจะนึกคิดเท่านั้นมันถึงจะมามีอํานาจเหนือจิตทีนี้ก็เล่นตรงเลยเมถุนระดับที่6สัมผัสโดยตรงเลยสัมผัสธรรมดาแค่สัมผัสหยับหยา อ, อ่อนๆสัมผัสไม่เรียวไม่แรงอะไรธรรมดารูปก็ดีรสก็ดีกลิ่นก็ดีเสียงก็ดีวัตถุก็ดีของนอกอะไรก็แล้วแต่มาโย่วมาโยนมาเยา้าอย่างที่ไม่มีริษแรงนะัก อย่างของคนพื้นๆอย่างเราอยู่อย่างเงี้ยเราอยู่สัมผัสสัมพันธ์อยู่กับพวกเราเนี่ยไม่เคยยั่วยวนอะไรมากโดยเฉพาะเรื่องผู้ห ญ, ญิงผู้ชายไม่ได้มาแต่งตัว จ, í, จี๋จ้าไม่ได้มาเป็นสื่อไม่ได้มาเป็นการเชื้อเ ช, ช, ชื้อเชือ้อเชิญยียวนอะไรกันมากมายอย่างนี้มันก็ไม่เท่าไหรหรอกมันสบายสบายพที่มีฐานพอสมควรเพราะงั้นพวกที่ปฏิบัติในฐานสูงมาพอสมควรแล้วเรื่องเมถุนเรื่องผู้ห ญ, ญิงผู้ชายโดยตรงนี่นะเมื่ออยู่คลุกคลีกับที่นี่ ไม่ยีจยคแต่เจอคฤหาบดีปรุงมาบุตรคฤหาบดีปรุงมาสัมผัสเขาบ้างหวมบ่ว่บว่บแล้วฐานที่หเชน่าเนะมถุนฐานที่หนะอดีตก็ไม่คิดอะไรตอะไรก็ไม่ฟังให้ดีอธิบายซ้ำซากอธิบายาซ้ําซ้อนมาแล้วคนก็ไม่เข้าใจได้แต่อัตมาเชื่อว่าพวกคุณนี่หลาจะเข้าใจได้ถ้าพวกคุณเข้าใจไม่ได้แล้วใครจะเข้าใจ แล้วจะเข้าใจในเนื้ยะที่มันละเอียดละอเป็นชั้นเชิงขึ้นมาอย่างนี้ถ้าไม่เข้าใจละเอียดละอคุณก็ปฏิบัติไม่ถูกไม่มีเครื่องเช็คไม่มีเครื่องวัดไม่มีอะไรที่จะเอาไปปฏิบัติประพฤติถ้าคุณเข้าใจดียิ่งดียิ่งละเอียดละอคุณยิ่งดีและยิ่งปฏิบัติได้ผลมากเพราะมันเป็นความรู้ทีจริงเพราะงั้นในระดับที่บอกว่าพอสมควรแนละ้วยาเผลอยันนึ ก, กว่าตัวเองแน่แล้วนะนี่อยู่ในที่นี้ไม่เป็นไร แต่เราก็ไม่ไปแสวงหาหรอกประเดี๋ยวก็มีคหาบดีผ่านมาลูกคหาบดียโยยโยนยว น, ยวนมาจรมาประเดี๋ยก็มีพอเราอยู่กับหมูพวกนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไรเอ้ยมีแต่พวกมอสออไม่ได้มีกลิน่นกลุนอบรั่มอะไรเด็กกามอะไรอะไ ร, ะไรก็ไม่เป็นไรก็ทนได้แต่พอเจอคหาบดีลูกคาฮาบดีเข้ามาโอ้โหคุณกระเทือนหรือเปล่าวันไว้หรือเปล่า เกิดเมถุนสังโยคหรือเปล่าแม้ระดับหกเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าลัทธิของพระพุทธเจ้ามีกามไม่ใช่มีสมาริยมรักองแปดเนี่ยมันต้องมีผัสะเป็นปัจจัยไม่ใช่เป็นนั่งเดาเอาแล้วก็ตี ก, กำแพงคอนกรีต ท, ทับเอาไว้สักวันหนึ่งระเบิดอาจจะห้าชาติระเบิดอาจจะสิบชาติระเบิด แรงกดขมนี่ฝึกมากๆกกดขมได้มากแต่ไม่หมดอาสวะไม่หมดเชื้อหมักดองวันหนึ่งระเบิดพระพุทธเจ้าถึงไม่ยอมรับพวกฤษีนี่แม้แต่โสดาบันฟังให้ดีๆพระพุทธเจ้าจึงไม่ยอมรับพวกฤษีแม้แต่ตําแหน่งโสดาบันเพราะมันไม่รู้ทั่วถึงไม่แบ่งเป็นเบื้องต้นท่ามกลางบัณฑปลายไม่มีส ก, กายะไม่มีส่วนสัตว์เจียดเจียดออกไปจริงๆ อย่างของพุทธนี่ได้โดยปัญญาทิฏฐานได้ด้วยความจริงที่มีจริงได้โดยการสลัดออกที่รู้รู้เห็นเห็นยตนได้โดยความสงบเห็นตัวสงบด้วยปัญญาเลยว่ามันว่างจากสิ่งนี้ว่างจากเหตุแห่งทุกข์อันนี้เราพอใจเราเห็นว่านี่เป็นความว่างสบายเบากว่าไม่มีความสำคัญเลยที่จะต้องเสพสมสุขสมหมดสุข และยิ่งอัตราที่กำลังอธิบายนี้ยิ่งเล็กละเอียดจนกระทั่งอัตานี้หมดแม้ขหบดีบุตรข้าบ ด, บาบอดีอบรำ่ำโดยเบนจากกามาคุณมากระทบเราก็รู้เท่าทันตัวเราอนเนนชาอนเนนชาไม่หวั่นไหวเลยสบายมากอย่าว่าแต่ยกตัวอย่างเมทุนว่าเป็นขหาบดีบุตรข้าบดีเลยแม้แต่สิ่งอื่นเป็นรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสในอะไรก็ตาม สิ่งเรานั้นไม่ได้มาในรูปของเมทุนหยาเป็นแต่เพียงเรื่องผู้หญิงผู้ชายเป็นเรื่องอื่นใดก็ตามเป็นรูปเป็นรสเป็นกลิ่นเป็นเสียงเป็นสัมผัสต่างๆแม้แต่เป็นลาบเป็นยศเป็นสรรเสริญเป็นลักษณะโลกคีสุขอย่างใดอย่างหนึ่งที่มากระทบทวาวรห้าข้างนอกเราก็พ้นกรรมมาคุณห้าแม้กระทบด้วยอย่างหยาบ จะเรียกว่าอย่างหยาบมันก็ไม่หยาบมันละเอียดแล้วแต่ว่ามันชั้นแรงควรเรียกว่าชั้นแรงมันชั้นแรงมันชั้นชั้นยั่วยวนมีอำนาจสูงเราก็ทนต่ออำนาจกระทบกระแทกที่สูงนั้นได้อนเนญชาอนินช า, นนชาจิตของเรามีกำลังเพียงพอแม้ไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวทีนี้มากระทบโดยไม่รู้เนืรู้ตัวก็พอไปรู้เฉย ไม่ได้ตั้งสติไม่ได้ตั้งท่าไว้สู้นะก็ยังเฉยแต่เราตั้งท่าไว้สู้เหมือนว่าหยิบน้อเอื้อมน้อยโถมันก็ได้สิมันก็ตั้งท่าไว้แล้วอะ่ะนี่ไม่ต้องตั้งท่าเลยมาเมื่อไหร่สัมผัสสัมผัสแป๊ก็เฉยเห็นอีกก็เฉยไม่รู้เนะื้อรู้ตัวพอรู้ว่าอ๋ออันนี้เหรอก็เฉย จึงจะเรียกว่าพ้นในระดับเมถุนสังโยคข้อที่หทีนี้เหลือเมถุนสังโยคข้อที่เจ่ะตัวนี้แหละตัวที่เจ็ดนี่ก็คือเมตุนถ้าคุณยังคุณได้ดีแล้วนะอัตตาคุณก็ศูนย์แบบนั้นนะตอนนี้เป็นอนัตตาดับสนิทนิโรธสนิทแล้วต้องปฏินิสักะถ้าคุณแช่แป้นนี้นั้นคือเทพ นั้นคือภูมิสูงของจิตปัญญาเลว่าเทวดาได้เป็นเทวดาขั้นวิสุทธิสุดด้วยขณะนี้อธิบายอัตตาหมดแล้วนะเป็นอนัตตาไม่มีแล้วนะสูญยภาพแล้วนะนิโรธแล้วนะดับสนิทแล้วนะแม้กระเทือนกระแทกกระทุ้งก็ไม่มีแล้วนะระวังถ้าคุณจบเท่านี้อยู่เท่านี้ไม่ตรวจอีกไม่หาอีกไม่มีอีกไม่พยายามดาเนินสิ่งที่จะเป็นประโยชน์สูงขึ้นกว่านี้อีก ที่มีอยู่นั่นแหละคือเมถุนสังโยกระดับที่เจ็ดของคุณคุณยังจะเป็นเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งเนื้อแค่เทวดาเทวโดอยู่แค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเผอว่าเราปฏิบัติไล่มาฟังดีๆตอนนี้จะซ้อนจากโสดาสกิทาโสดาสกิทานี้เป็นภูมิธรรมหรือเป็นการละกิเลสแค่ฐานทวารตาหูาจมูกลิ้นกายใจทั้งห้า และเนื้อในของอนาคามิจิตก็สูญดับเมื่อกุณยิ่งสูญดับบนเลยโลกนี้นะไม่มีอะไรเกิดไม่เวียนกลับมาเกิดอีกแน่ใจว่าไม่กลับมาเกิดอีกอัตตาของคุณก็ยังเหลืออยู่คืออัตตาของเทวะอันนั้นแหละเพราะฉะนั้นพระอนาคามีจึงไม่สูญเทวะเป็นเทวนิยมตลอดนานับชาติาศาสนาเทวะก็มีแค่อนาคามี แต่ของพระพุทธเจ้านั้นแม้แต่ยึดเอาอนณาคามีเป็นของตัวของตนอยู่ไม่เวียนวนมาสู่กามาโลกอีกเราก็สลายตัวอนณาคามินี้ได้ตัวเทพนี้ได้เทวะนี้ได้เพราะยศศาสนาพระเจ้ า, า, าจึงอัเทวะนิยมไม่มีเทพไม่มีเจ้าใหญ่เดี๋ยวนี้เราทําลายเทพไปด้วยในตัวทันทีเป็นอรหรันต เพราะงั้นการจะเข้าใจจิตวิญญาณว่ามีตัวมีตนและสิ้นตัวสิ้นตนนั้นจึงไม่ใช่ความคิดจึงไม่ใช่ความเดาเลยไม่ใช่เลยเพราะฉะนั้นเราไม่ติดไม่ติดไม่ไมยึดแม้แต่ภูมิฐานความว่างที่เราได้เราไม่ติดแม้แต่ว่างแล้วสุญญภาพแล้วสบายแล้วเรามาอยู่กับความไม่สบาย ถ้าคุณเสพความสบายนี้ติดแป้นนี้แล้วคุณจะบอกกับตัวคุณเองไม่ได้ว่าคุณติดถ้ายิ่งไม่เรียนรู้ไม่ประพฤติคุณก็จะยิ่งติดโดยไม่รู้ติดอะไรติดความสงบติดความว่างติดจริงๆอัตตาว่างเพราะฉะนั้นลักษณะเหล่านั้นจึงจะโน้มเอ็นไปในทางเฉยเหนื่อยสแสวงหาความว่าง ความขยันก็น้อยลงน้อยลงเป็นธรรมดาเพราะจะอยู่ลอยๆว่างๆและอาการที่มันเสพติดว่างนั่นแหละเป็นแล้วแม้คุณจะอยู่กับโลกเขาก็อยู่อย่างว่างๆไม่มีกระจิกกระใจไม่ขนขวายไม่เป็นพลังงานที่เป็นคุณค่าและคุณจะกล่าวว่าคุณอยู่กับทุกทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปไม่ได้ ท้ามหาสาวกของพระเจ้าเทรานุเทระหรือเถรีก็ตามได้กล่าวไว้มีหลักฐานว่าทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปทุกอันนี้เป็นทุกขอริยสัตว์ท่านพระอรหันต์จะอยู่กับทุกเห็นทุกเกิดขึ้นเห็นทุกตั้งอยู่เห็นทุกดับไปแต่เราอยู่เหนือทุกเพราะฉะนั้นอริยสัตว์ไม่มีอื่นแล้วมีแต่ทุกขและมีแต่เหตุแห่งทุก แต่เหตุแห่งทุกนั้นทําลายเราไม่ได้เราไม่ไปบําบัด ต, ตามทุกขนั้นเราไม่ต้องการแต่เราทํางานเรามีการสร้างสรรค์เรามีอะไรมันก็เป็นทุกขกายยึกระทุกธรรมดาแต่ใจเราบรรลุแล้วใจเราไม่ได้ทุกแล้วกายยึกระทุกกับกายยึกระทุกเรารู้อยู่แล้วเราก็รังสรรเสริมสรารสร้างงานปฏิธรรมไปมันก็ต้อง จายพลังมันก็ต้องเหนื่อยมันก็ต้องเปลี้ยมันก็ต้องเพลียมันก็ต้องต่อสู้มันก็ต้องมีความลำบากเพราะมันมีสิ่งต้านทานมีอุปสรรคอยู่ตลอดเวลามันต้องมีขนาดพระพุทธเจ้ายังมีอุปสรรคมีสิ่งต้านทานแล้วคุณเป็นใครกันเชียวคุณเป็นมหาพุทธเจ้าอหรือบรมพุทธเจ้าไม่ใช่ เราไม่ได้เท่าพระพุทธเจ้าเลยเราจะหลีกเว้นอุปสรรควิบากใดไม่ได้พระพุทธเจ้ายังมีวิบากแต่เราก็รู้ว่าเป็นความจริงวิบากมีอุปสรรคมีพระมหาโมคลานะมีวิบากต่อสู้กับอะไรอะไรมาตลอดเวลาเลยสุดท้ายก็ยังสู้เขาไม่ได้โจรมันมาเอาตายฆ่าตายก็ยังต้องยอมตายกับมัน สุดท้ายต้องยอมตายเพราะถึงกรรมถึงเวรถึงรอบสุดท้ายแล้วดินดินไม่ไหวแล้วต้องยอมพระมคคลาจึงต้องตายพระพุทธเจ้าขนขาขนาดเป็นพระเจ้าจงต้องโดนหินกลิ้งทับท่านก็ตรัสถึงอดีตวิบากเพราะถ้าไปฆ่าน้องชายต่างมารดาตั้งแต่ชาติตะงก่อนท่านได้เคยฆ่าน้องชายต่างมารดามา วิบากนั้นจึงเหลือเศษมาหินทับเท้าพระโลหิตเกิ ด, ดห่อพระโลหิตขึ้นดังนี้เพราะฉะนั้นอุปสรรคอื่นวิบากอื่นที่ยากกว่านี้จะไปกล่าวไปใหญ่เราและเราก็จะไม่เจออุปสรรคไม่จริงต้องเจออุปสรรคเป็นทุกข์เราเรียกมันได้โดยภาษาว่าทุกข์ แต่เราไม่ได้ยีละเราไม่ได้กลัวทุกอันนี้เพราะทุกอันนี้เราไม่ได้ทำมาเสพให้แก่ต้นอาตมาทำงานให้แกสังคมอาตมาทำงานให้แกโลกอาตมากินอยู่หลับนอนทุกวันนี้ลน้นใช้คําว่าลน้นกินก็ลน้นเป็นอยู่ก็ลน้นทำไมจะไม่ลน้นล่ะนี่มีบริษัทเนี่ยทำงานมีบริษัท มีพรั่งพร้อมบริษัทคนงานก็สบายไม่มีปัญหาค่าแรงงานบริษัทอื่นๆเขายุ่งมากที่สุดเรื่องปัญหาค่าแรงงานแต่บริษัทนี้ไม่มีปัญหาค่าแรงงานใครไม่อยู่นี่ไม่ใช่ไล่ส่งวันวิสาขะนะใครไม่อยู่ไปไม่ได้ไล่ส่งวันวิสาขะนะแต่พูดเป็นเชิงนะ่ะเป็นเชิงให้ดูให้รู้ว่ามันจริงๆนะ คุณมาอยู่นี่คุณสมัครใจคุณโง่หรือหรือคุณฉลาดให้ถูกหลอกอาตมาเอามาใช้ฟรีหรืออาตมาเอามาสร้างบัรลังก์อะไรให้แก่ตัวมันมีเชิงอยู่ว่าอาตมาอาจจะดังไปทุกวันนี้พระโพธิรักษ์ดังนะอาตมาหลงในสันเสรรญ น, นั้นหรือเปล่าถ้าจะเป็นสันเสริญแต่มันไม่ใช่พระโพธิรักษ์เดี๋ยวนี้ดังนะดังถูกด่าคุณไปสอบที่ข้างนอกเราอยู่ข้างในนี่เราสัเสริญกัน พวกคุณเห็นอาตมาอย่างนี้พวกคุณก็เคารพนับถือสรรเสริญอาตมาแต่ข้างนอกน่ะเขาด่ามากกว่าเขาชมรู้ปะคุณไปสอบดูสิเดี๋ยวนี้ไปทําสถิติไปเก็บสิไปเซอร์เวย์มาเ้าด่ามากกว่าเขาชมอ่าจริงๆแต่เอาเถอะอาตมาแน่ใจว่าที่เขาด่านั้นเพราะเขายังไม่รู้ พวกคุณอยู่ในนี้พวกคุณเชื่อแล้วเข้าใจแล้วมั่นคงแล้วแน่นอนแน่ใจแล้วคุณก็ไม่มีปัญหาเพราะจะบอกว่าอาตมานี่มาได้สันเสริญเพราะพวกคุณมาเป็นบรนลังให้ได้สันเสริญหรือเปล่าได้ดานะ่ะสรนเสริญอะไรได้ดินทานนะ่ะแม้จะเป็นสรนเสริญเหมือนพระสมมาสัพพุทธเจ้าทันได้สรนเสริญอาตมาจะได้บ้างมันก็เป็นไปโดยธรรม เป็นไปโดยทําด้วยยากโดยเย็นอุปสรรคเยอะแยะแต่ราบยศพวกคุณก็คงจะเข้าใจแน่นอนเชื่อมัน่นใ้ ว, ว่าอาตมาไม่ได้ทํานี่อาตมาพูดเพราะว่าทํางานมาสิบสอปีแล้วถ้าจะทําต่อไปอีกก็จะยิ่งพิสูจน์หนักขึ้นอีกอาตมาก็ยินดีที่จะพิสูจน์ตนและอยากให้คุณมาพิสูจน์อาตมาด้วย อาตมานี่มันไม่มั่นคงมันรู้ด้วยปัญญาก็พูดอยู่ในนี้ว่าอาตมาแสนรู้ว่าเรื่องอะไรเราจะมาสะสมเรื่องอะไรจะไปเป็นทาตรลาบยศสรนเสริญโลกียะสูธรรมอะไรอีกโลกธรรมอย่างนั้นนะย่ำยีมันไม่ได้หรือฆ่ามันให้แห้งตายสนิทไม่ได้หรือยังไงอาตมาว่าอาตมาแน่ใจนะว่าอาตมาจะไม่เอาไม่มีมันจะแฝงมันจะเร้นมันจะมีอัตตาน่อยๆมันจะมีทุลีระอองหรือเสษหรืออะไรอาตมาจะรู้ในอรูปธรรมเหล่านั้นของจิต ที่อาตมายังแม่มีแอบแอบเสบนิดนิดยังขนาดเป็นยังไม่พ้นแม่กระทั่งว่าเมทุนสังโยคหยังมีแอบเสพนิดนิดอยู่หรือเพราะว่าแค่เมทุนสังโยค6อาตมาก็ยังว่ายังไม่สูงสุดนะยังขนาดถึงว่าดาวได้แป่นแล้วสนิทแล้วสะอาดแล้วสะอาดสงบสว่างแล้วเรายังไม่ติดอีกเลย เรายังจะสุภาพคือจะไม่มานั่งนิ่งๆวังให้ดีนะเราจะยังสุภาพคือสะอาดแล้วสว่างแล้วสงบแล้วแต่ไม่สงบไม่อยู่อย่างสงบไม่สงบอย่างที่เรียกว่ากลายเป็นแบบหรือสีที่เข้าใจผิดไม่ทำงานยิ่งจะสุภาพด้วยการงานการงานของเราจะสุภาพยิ่งขึ้นเพราะเป็นการงานที่มีผลสูง มีความคล่องตัวมีพฤติกรรมอันมากได้และมีผลด้วยไม่ใช่มากแล้วเฟอเกินทิ้งหรือมากแล้วไปบาดเสียดเกินการได้ผลน้อยเสียมากกว่าได้ไม่ใช่สุภาพคือทำงานมีสมรรถภาพมีน้ำหนักน้ำเนื้อมีผลสูงขึ้นไปเรื่อยๆมีสมารมาิมักเป็นกรรมมันตักที่แท้จริงนี่เรียกว่าสุภาพ ไม่ใช่สุภาพแล้วก็นั่งไปแบบลัทธิฤาษีเลยจบแล้วก็เ ล, like. วเลยกลายเป็นสว่างนั่งอะไรก็สว่างสงบสะอาดก็สะอาดที่ไม่แตะอะไรเลยสร้างครอบแก้วไว้ให้ตัวเองไม่แตะอะไรเลยก็สะอาดเลยทีสะอาดอย่างนี้ไม่ใช่ลัทธิพุทธสะอาดอย่างพุทธนั้นมีสัมผัสด้วย <c oughs> เป็นปัจจัยแล้วผิวเนื้ออย่างพระพุทธเจ้าที่ท่านบอกว่า ตถาคตย่อมมีผิวกายอันละเอียดแม้ฝุ่นตกตอต ก, ต, กต้องตัวก็ไม่ติดป่วยการกล่าวปยายทำสิ่งหยาบมันก็ติดแน่แม้แต่สิ่งละเอียดยังไม่ติดเลยนี่เป็นธรรมะอันลึกซึ้งนะผิวกายหรือวันนะหรือตัวตนของพระเจ้านั้นอะไรมากระทบไม่มีติดแม้แต่สิ่งละเอียดปันใดก็แทรกซอนเข้าไปติดอยู่ไม่ได้ ปวยการกล่าวไปหญ่ถึงของหยาบหยาบไม่ติดเลยยิ่งละเอียดซึ่งมันติดได้ง่ายเหมือนฝุ่นละออนนี่ติดเนื้อติดหนังอะไรง่ายก็ไม่ดูดไม่ติดเลยล่ำสะอาดกระทบกระแทกไปอย่างหยาบอย่างละเอียดได้หมดทุกหัวระแหงนี่เป็นธรรมะอย่างลึกซึ้งเราจะมีสัพหริลักษณะอย่างพระพุทธเจ้าอย่างนี้คือเราจะสุภาพอุปสรรค เหตุปัจจัยอะไรก็ตามเราไม่ยีหล่ะเราอยู่ได้ดาน่าชนได้ไม่ถอยไม่ได้เป็นคนขี้กลัวอาหารแกล้ากล้าร่าเริงเราอาหานเราร่าเริงแต่เราก็ไม่ใช่หามไม่ใช่คนบ้าบวมบุ่มบามหำหมไม่ใช่ ผมว่าผมไม่ได้พาคุณทำอย่างนั้นแต่เราทำอย่างริดสูงแรงสูงเอาประโยชน์สูงสุดประโยชน์สูงและเราก็ได้ระมัดระวังออมมือแล้วออมอะไรแล้วหัดประหยัดหัดมัธยัติมัธยัสักหมายความว่ามัธยัตสักมัธยัสรเนี่ยหมายความว่าสภาพที่เราได้เจียนลงมาหาเนื้อหาสาระอันปันกลางพอดีที่สุดแล้ว เขาแปลเป็นแนวโน้มไปว่าประหยัดหรืน้อยลงจริงในความหยาบของผู้ที่ยังหยาบยาบอยู่จะต้องหัดมักน้อยเขาจึงแปลมัธยัติไปในเชิงอภิชฌาทีนี้ส่วนความประหยัดของพระโ พ, พ, ะพธิสัตว์แล้วพระโพธิสัตว์จะประหยัดก็คือว่าต้องขมีขมันต้องขยัน ต้องกระทําให้ได้ฤทธิ์สูงสุดที่ต้องประมาแล้วนะว่ามาไปกระทบไปปะทะไปถึงผลเสียอะไรหรือเปล่าเหมือนกับสูบน้ำมันตะเกียงเจ้าพยุให้สูงสุดให้มีแรงฤทธิ์ที่สูงสุดเต็มที่แต่ระวังขีดแดงอย่าให้เกินเท่านั้นแล้วเราจะได้คุณภาพที่กระจายไปให้แก่โลกแสงสว่างของตะเกียงเจ้าพายุจะสว่างที่สุดในนัยยะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนที่กาลังทาให้ตนต้องรีกอน กับคนที่มีกรรมฐานเป็นโพธิสัตว์ต่างกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นคุณจึงอย่ายมาเอาอย่างอัตมาคุณประเภทที่มัธยัตวนั่นแบบแนวโน้มไปในทางรีก่อนแต่มัธยัตวของอัตมาเนี่ระวังขีดแดงฟังให้ออกมัธยัตวของอัตมานี่อยู่ในขีดแดงหรือแม้แต่ของคุณเอง คุณไดฐ้ฐานที่มั่นอบายยมุขของคุณแน่นหนาจนกระทั่งถึงหมดอัตตาแล้วคุณปฏินิสัขะออกมาทํางานได้อย่างเต็มที่หรือแม้คุณยังไม่ถึงขนาดเต็มที่คุณก็ทําซ้อนได้แต่อย่าให้มันเลยขีดของตนประมาณเหลือไว้ขนาดหนึ่งเพระาะสภาพประโยชน์สูงประหยัดสุดจึงเป็นสภาพที่ลึกซึ้งประมาณอย่างเนียนในลึกซึ้ง ตนต้องรู้ตนเป็นปัญญาอย่างสูงอย่างละเอียดถ้าตนไม่รู้ตนเป็นปัญญาอย่างสูงอย่างละเอียดก็ทําไม่พอดีเพราะงั้นการไม่พอดีจะเกิดได้บ้างสำหรับผู้ที่ปฏิบัติมรรคองค์8จะมีประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไปพร้อมกันในตัวและมันก็จะมีสิ่งที่มันตกหลนหรือว่าเกินไปอะไรไปนั่นเป็นครูของเราระวังอย่าให้มีบ่อยถ้ามีกันสักทุกคนอาตมาก็ยุ่งเหมือนกัน ไอสิ่งที่มันขาดหกตกหลน่นประมาณไว้สักก่อนให้ดีเราจึงจะละเอียดขึ้นสูงขึ้นเมื่อประโยชน์ตนก็ได้พร้อมกันประโยชน์ท่านก็ได้พร้อมกันเร็วที่สุดเป็นขี ป, ปาวพิญยาและเราประมาณได้สําหรับตัวของเราเราตั้งตนอยู่ในความลำบากของเราเท่านี้มากกว่านี้เป็นอัตตกิลมถานุโยก เท่านี้กำลังตั้งตอนอยู่ในความลำบากที่ตึงตัวเหมือนขึ ง, ขงพินสามสายและทุกสายเราขึงให้ตึงพอดีทุกสายเราก็จะรู้ว่านี่แหละมัดตัวกลางและมัชชิมาแล้วสายกลางแล้วคำว่าสายกลางจึงไม่ได้พาซื่อง่า ย, ายเทนตรงคำว่าสายกลางจึงมีนัยยะทีละเอียดลึกซึ่งอยู่โดยประการอย่างที่กล่าวนี้อธิบายนี้คาว่าสายกลาง เมื่อพูดใดที่เข้าใจแล้วว่าเราไม่นิจจังเราไม่สุขขังเราไม่อัดตาได้จนเป็นที่สุดคนนั้นก็เป็นอนิจจังและสุดท้ายทุกขังพระอรหันต์อยู่กับทุกทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่และทุกเท่านั้นดับไปเราอยู่ท่ามกลางความทุกขอย่างเบิกบานร่าเริง เราไม่เห็นอุกทุกเป็นอุปสรรคอะไรทุกก็คือทุกส่วนตัวเราเองนั้นสิ้นทุกเพราะทุกเป็นตัวอัตตาแท้ของเราตัวตนของเราคือทุกเราไม่ทุกหรอกเราทํางานทําการเราสัมพันธ์สัมผัสเรามีบทบาทกิริยาทุกอย่างมีสมาสังกปะมีสมาวาจามีสมากรรมตัดมีสมาอาชีวะมีสมาวายามมีสมาสติของเรา ไม่ใช่ตัวทุกข์เลยไม่ใช่เลยเราไม่ได้ทุกข์เพราะอนัตตาแล้วเพราะหมดแล้วไม่มีแล้วฟังซ้อนนะมันเป็นตัวทุกขกก์ของโลกเป็นทุกขอริยสัจของโลกเห็นคุณก็ทุกข์แม้ยกตัวอย่างง่ายๆนี่เห็นคุณนั่งง่วงเนี่ยเออทุกข์เนาะไอ้ ก, กอนทุกข์เอ้ย แต่เราไม่ได้ทุกนะเราจะทํำยังไงคุณง่วงคุณทุกอัตมาจะช่วยคุณงูหายง่วงอัตมาก็ทํางานสร้างสรรค์ถ้าคนขี้เกียจก็บอกว่าทํางานก็ทุกแล้แต่อัตมาก็ไม่ทุกอีกเพราะทํางานจะทํำยังไงนาะเนี่ยจะไขาลานยังไงมันหายง่วงจะทํำยังไงถึงจะให้หายจะเอาวิชาการใดมาแก้ให้คนนี้หายทุก อาตมาก็ขนขวายการขนขวายของอาตมาอาตมาก็ไม่ได้ทุกเพราะอาตมาไม่ขี้เกียจถ้าอาตมาขี้เกียจแหน่ทุกอาตมาหมดแล้วไอ้ขี้เกียจเนี่ยมันเป็นอบายไม่ได้ขี้เกียจขนขวายมีกติกาใจมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอยู่มีธรรมะที่ซับซ้อน ล, ลึกซึ้ง ก็ช่วยทุกเพระฉะนทุกที่เกิดอยู่ในโลกทุกวันนี้ทุกทั้งสิ้นเราเห็นทุกเดาอยู่ท่ามกลางกองทุกแต่ตัวเราเองนั้นอนัตตาแล้วทุกเราอัดอนัตตาไม่มีตัวตนของทุกข์ของเราแม้จะกระทบสัมผัสอย่างเมถุนสังโยคข้อที่หก็ไม่มีกระทุ้งกระแทกอย่างแรงขนาดไหนเลยต่อให้ยอดจักระพัดมากระทุ้งต่อให้ยอดขหบดีมาทุ้ง ต่อให้ยอดคนขนาดไหนมากระทุง้งเราก็ไม่กระเทือนไม่ทุกข์เลยและเราก็ไม่ได้ติดแป้นเป็นเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งแล้วไปได้หมดทุกคนแห่งไม่ใช่อยู่หอคอยงาช้างฉันเป็นอริยะใหญ่แล้วนะดูหอคอยงาช้างน่อะไรล้วก็มาแต่ไม่ทำงานนั่งหลับดีอยู่ในป่าบ้างอยู่บนวอช่อฟ้าบ้างไม่ ทำงานเหมือนคุณเลยมีสัมมารกรรมมันตะแต่ไม่เหมือนคุณแล้วแต่เนื่องด้วยคุณเราไม่เหมือนคฤหัตแล้วแต่เราก็เนื่องอยู่กับคุณกายกรรมวจีกรรมใดที่ดีกว่านี้เราจะทำแน่นอนที่สุดทุกอย่างต้องพลากจากกันเราเข้าใจดีเราไม่ดยึดมั่นถือมั่นเลยว่าเราก็จะอยู่อย่างนี้และเราก็จะทำอย่างนี้นิรันดไม่ เพราะฉะนั้นก็ขอจะขอจับสภาพสุดสูงสุดของศาสนาศัตะกับอุดเฉให้ฟังชัดๆอีกศาสนาศัตะนั้นเข้าใจว่าเทพเจ้าเป็นเลศิศพอคุณได้ปฏิบัติตนได้สูงสุดคุณจะไปอยู่กับเทพเจ้าเป็นเทวดาองค์เดียวกันกับพรหม นี่ขอเรียกเอาพรมนะศาสนาที่เป็นเทวานิยมสมัยใหม่จะเรียกเยะวะโฮวาจะเรียกอัลลอฮ์อะไรก็เหมือนกันไปอยู่กับอัลลอฮ์ไปอยู่กับเยะวาโฮวาก็ไปอยู่กับพรมเหมือนกันในศา ส, สนาศาสตะชนิดศาสตะจริงๆเพราะว่าไม่มีการสลายอัตตาไม่มีการปลดปล่อยวิญญาณไม่มีการที่จะเลิกเดี๋ยวนี้ศูญเดี๋ยวนี้ไม่มีศูนญเขาไม่มีปัญญารู้ทั่วถึงว่าจะศูนย์ได้แต่พุทธรู้ทั่วถึงว่าโอ้ย ก็เด so ี๋ยวนี <S <S ้จิตวิญญาณอยู่เดี๋ยวนี้เราไม่ต้องเกาะกลุ้มเราไม่ต้องจิตยึดปฏินิสขะทางานทําการไม่เสร็จแล้วก็ไม่ต้องไปเสวยแป่นต้องไปอยู่วิมานนั้นอยู่ตรงนั้นตรงนี้อยู่กับพระเจ้านัพระเจ้านี้เราไม่มีไม่มีอัตตาอย่างนั้นไม่มีใครยังมีก็มีอยู่ก็เขาบอกว่าไปอยู่กับพระเจ้ามันก็บอกอย่างนั้นก็เชื่ออย่างนั้นก็มีอะทีมีทันทีเลยนะคุณเมื่อเราแน่ใจว่าไม่มีแล้วเราก็ไม่มีแล้วเราก็ทําความสมบูรณ์มาสูงสุดได้ เพราะฉะนั้นผู้นี้จึงหมดอัตตาเมื่อรูปนามขันธ์หน้าเป็นอนุปาทิเสสาริพาธาตุไปแล้วไม่ไม่มีไปไม่มีมาอะไรอีกเลยสลายศูนย์นี้ไม่สัตว์สตับและเป็นอุดเฉแบบสมุติเขแม่เดี๋ยวนี้เราก็เห็นความต่อเนื่องของความศูนย์อยู่เดี๋ยวนี้เราก็ศูนย์อยู่ศูนย์อยู่โดยไม่ได้เดาโดยไม่ได้คิดว่าตายจากร่างนี้แล้วก็ศูนย์ทั้งๆัที่อัตตาของเราไม่ได้ล้างหมด เพราะฉะนั้นแม้แต่คนที่ศัสตะแบบไปเป็นพระเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งก็ไม่มีแล้วสริงจริงที่แม้แต่จะเหลืออนณาคามิจิตที่เหลือเศษบอกแล้วว่าว่างนะดับได้นะแต่คุณก็เสวยแป้นนี้ไม่ไม่มีไม่มีไม่ไม่ไม่ปล่อยปลาอีกเป็นอนาคามิจิตจะเหลือเศษอะไรแค่ไหนเป็นรูปประจิตอรูปประจิตเหลือเศษที่คุณยังเสวย เอากำไรเอาเสพตัวเสวยนี่ละเอียดมากยังเสวยยังเอาเสพไม่เป็นไปตามทำขยันมันเพียนรู้พักพักก็พักพอสมควรแล้วก็เพียนโดยที่ไม่ติดเลยว่าจะไปคุณไม่หลงเลยว่าในตอนอยู่สงบเนี่ยมันเป็นความเป็นนั่งเอาสงบเป็นหลอกลีเอาสงบเนี่ยและคุณก็ติดไม่ติดเลยจึงจะหมดแต่ยังติดอยู่ยังเหลือเศษอันนั้นตามจริงมีจริง ใครตามจริงมีจริงคนนั้นก็มีจริงตามจริงจึงเหลือจิตที่เป็นอนาคามิจิตนี้อยู่อนาคามิจิตที่เหลืออยู่นี้ก็เป็นสัสตักอีกระดับหนึ่งที่มันไม่ศูญเห็นไหมฟังให้ดีนะไอ้ที่เป็นเทพเจ้าองค์ใดประมาทมันใหญ่อย่างที่ว่านั่นน่ะเป็นพระเจ้าไปอยู่กับพระเจ้าเลยนั่นน่ะนั่นเป็นความหลงผิดที่ชัดแจ้งอยู่แล้วสัสตักแน่แน่อยู่แล้ว พอนแม่แต่คุณมารู้โดยพุทธเนี่ยคุณยังไม่สลายความจริงให้ศูนย์จริงๆคุณประมาทไม่ได้เลยฟังให้ดีแล้วคุณจะเห็นความโอ้โหพระพุทธเจ้าทั้งสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเสื่อมไปเป็นธรรมดาจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ตนก็คืออะไรอย่าประมาทสร้างสรรไปให้แก่โลกด้วยพอเราสร้างสรรโลกก็ได้ประโยชน์ทันทีเราไม่ติดไม่ยึด พักพ อ, พอสมควรกับการพักแล้วก็ทางานกายกรรมวจีกรรมอะไรดีกว่านนี้มีอีกเอา้าทุกอย่างต้องพลากจากกันหมดไม่มีอะไรติดอะไรแตะนะกรรมเป็นของของตนกรรมเป็นกําเนิดกรรมเป็นผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยชัดเจนทุกอย่างเลยอภินหะปัจจเวศสิบนะ่ะท่องเข้าไปอภินหะปัจจเวก10บชัดเจนแต่เราก็ยินดีในความเลิกในความหยุดในความสงบจิตเรายังยินดีแต่เรากลับปฏินิสัชะ เรากลับไม่หยุดเรายินดีในความหยุดเรายินดีในความนิ่งความหมดแต่เรากลับไม่หมดตรงไม่หมดพฤติกรรมที่จะยังมีรูปนามคันหมีพฤติกรรมมันเป็นกุศลมีอะไรอยุดแต่เราก็ไม่ได้หลงไหลว่าสิ่งเหล่านี้เป็นดีเป็นความดีของเราฟังให้ดีนะคิดว่าวันนี้วันสําคัญได้ชี้ชัดละเอียดแทงลงไปในจุดนี้ ในโอกาสครั้งหน้าจะมีปฏิภานมีนิรุตติที่เก่งกว่านี้มีปฏิสัมพิทาญาณที่เก่งกว่านี้จะซอกซอนลงไปให้ละเอียดกว่านี้อีกวันนี้ก็คิดว่าพยายามจีจะละเอียดให้ฟังเพราะศาสนาทิฏฐิแม้แต่จะเหลือเชื้ออนาคามิจิตก็ไม่มีเห็นได้เดี๋ยวนี้ว่าเราปฏินิสักะอยู่เราสลัดคืนแม้เราสละได้แล้วเราก็มาสละอีกสละแล้วสละอีกไม่ใช่สละแล้วเลิกเลยติดปั่นเลยไม่ใช่ สละแล้วสละอีกไอ้สละแล้วสละอีกนี่ไม่ใช่ว่าติดแป้นนะสละแล้วสละอีกเนี่ยสละแล้วได้แป้นแล้วแล้วนึกว่าจบหยุดไม่หยุดเราหยุดแล้วแล้วเราก็ไม่หยุดเห็นไหมมันซ้อนปฏินิสข้าก็คือเราหยุดแล้วและเราก็ไม่หยุดนี่มันปฏินิสข้าแล้วเพราะเราก็ทํางานเราก็ทําสิ่งที่ควรโดยประมาณเพราะท่านึงบอกว่า สโศกเราไม่พักเราไม่เพียรนี่แหละคือผู้ที่ข้ามโศกข้สงสารแล้วนี่ไม่ได้ตื้นเขินเลยแต่กผมไม่สงสัยหรอกที่ท่านทั้งหลายแหลที่ท่านผ่านสูตรนี้แต่ท่านก็ไม่รู้เรื่องท่านไม่เคยมีใครหยิบมาในพุทธภาสิตกี่เล่มกี่เล่มก็ไม่มีใครหยิบออกมาเลยเพราะเขาไม่แตะไม่ติดเขาแตะไม่ติดแล้วเขาไม่รู้ว่าไอ้นี่คือสโศกที่มีความหมายเป็นปรัชญาที่มีค่าเหลือเกินเขาไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องเพราะพูดใดที่ไม่มีเหลือแม้อนาคามิจิตไม่เป็นสัตสตะที่เป็นประมาทมันและแม้เศษอนาคามิจิตก็ไม่มีเราทําลายได้อีกเหมือนกันจึงจะทรงเป็นอรหันต์ที่แท้อยู่แท้อยู่จะเห็นสภาพของสัตสตะและยิ่งสกิทาคามียังจะต้องกลับมาเกิดอีกชาตินึงคุณจะไปพูดทําไมอย่างนั้นมันก็สัตสตะมันก็เหลืออยู่แน่ คุณต้องมาเกิดมาอีกชาติหนึ่งทจะต้องมาสารอกให้หมดแม้คุณจะเป็นพระอาหารหันต์แล้วคุณจะกลับมาเกิดอีกได้คุณก็จะไม่สงสัยเพราะเกิดง่ายเพราะฉะนั้นเอาให้สุดธนาแล้วคุณจะตัดสินเองตอนนี้พระพุทธเจ้าไม่บังคับใครหรอกแต่คุณจะรู้เองว่าเมื่อไม่ติดยึดแล้วเราก็ปฏินิสขะเพราะฉะนั้นพระอาหารหันต์จึงเป็นพระโพธิสัตว์ ท, ทาโพธิกิจอยู่ในตัว ถ้าไม่ปฏิญญาณตั้งจิตเป็นพุทธภูมิอ้กต่ออนุปาทิเสสนิพานธาตุทิ้งรูปนามขันหานี้เมื่อไร่มันก็หมดไม่เหลือไม่มีอัตตาอันใดเลยสัจสตะไม่มีเลยศูนย์จริงๆแต่คนแม้กระทั่งแค่โสดาบันก็ยังไม่รู้รสไม่รู้เสพไม่รู้ติดไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุแห่งทุกข์สลายไม่ได้เลยตัวก้อนทุกข์ยังนิดจังนิดจังอยู่เลย ไม่นิจจังด้วยอั น, นิจจังด้วยแต่อั น, นิจจังสวยอา น, นิจจังโตขึ้นโตขึ้นด้วยและป่วยการกล่าวไปยายคนเหล่านั้นที่จะไปมีความสิ้นอัตตาได้ฟังให้ดีแต่เขาจะมีศูนย์ตรงไหนเขาจะอุดเฉได้ตรงไหนอุดเฉโดยทิฏฐิโดยความเห็นด้วยเหตุผลเท่านั้น แล้วว่าทุกอย่างนี่มันอุดเชะมันศูนย์มันว่างเปล่าด้วยเหตุผลนนคะแนนคานวณทุกอย่างมันก็ต้องพรากจากกันตามสัจจะพระพุทธเจ้าบอกแล้วก็จริงๆมันต้องพลากจากกันแต่อัตราคุณสิไม่พลากถ้าคุณไม่ได้ล้างอัตราเลยรถสนิยมของคุณยังเป็นรถสนิยมอยู่และยังสแสวงหาอยู่อีกด้วยประเดี๋ยวคุณก็ต้องเวียนกลับมาสแสวงหาใหม่ก็เดี๋ยวนี้มันยังสแสวงหายังไม่จบยังบําบัดมันอยู่บำเริมันอยู่ คุณต้องพิสูจน์เล้วว่าคุณไม่บำเรอมันอีกแล้วคุณไม่บำบัดมันอีกแล้วอะไรมีมาก็สัมผัสเพียงรู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็เพียงรู้จิตของเราก็ไม่มีพีหลอไม่มีโอปปาติกะอีกไม่เอาอาดีตมาวุ่นวายนอกจากอาดีตก็ไม่วุ่นวายแล้วแม้สัมผัสเป็นปัจจุบันนั้นเทียวก็เห็นอยู่รู้อยู่ว่าเราอาสวะสิ้นแล้วเป็นฌานโตปัสสโตวิหรติ รู้สิ้นเดี๋ยวนี้ก็ว่ามันศูนย์อาสวะก็ไม่มีกระทบแรงเท่าใดก็ไม่มีและเราก็ไม่หลงแ ป, ป้นเป็นเทพดาองคใดองหนึ่งด้วยไม่เมถุนอย่างนั้นด้วยไม่เสพสมสุขสมที่ตนแป้นนั้นด้วยที่เราเป็นอย่างนั้นเรากลับสูงขึ้นนะพระอาราหันต์นี่ทำโพธิกิจก็จะสูงขึ้นมีสมรรถภาพมีภูมิปัญญาอันเป็นวิญญาณนังอนิจจนังอนันตังสัพพโตปพัง ไม่มีตกต่ำและสูงยิ่งขึ้นอยู่มันก็ยังเป็นอนิจจังที่ไม่เที่ยงนั่นแหละแต่คุณทําไปถึงขีดไหนสลายสลายอัดสลายรูปนามขันธ์ห้าพอคุณจะตายคุณมาถึงขีดนี้คุณตายตายแล้วคุณก็ไม่ต่อมันก็หมดหมดกันแต่คุณจะกลับมาเป็นพุทธภูมิอีกจะว่ากลับมาบําเพ็ญโพธิสัตว์เป็นตัวเนื้อหนังเกิดใหม่มาบําเพ็ญอีกคุณก็ได้อันนี้เป็นฐานคุณสูงเท่าไหร่คุณก็ได้เป็นฐานแต่ฐานที่สูงสุดนี้คุณสามารถลมเลิกได้ เมื่อไหร่ก็ตามแม้คุณจะไปตั้งจิตเป็นโพธิสัตว์อีกหนึ่งชาติก็สู้แหมยังมันอยู่เลยยังมาเอาแต่มันยากเหลือเกินโพธิสัตว์เนี่ยคุณไม่รู้จักมันอย่างผมผมรู้จักผมเป็นโพธิสัตว์มาหลายรอบหลายชาติหนักแม้ชาตินี้คุณเห็นว่าหนักผมไม่หนักนะแต่คนข้างนอกเขารู้สึกว่าโอ้โหต่อสู้เหลือเกินจริงนะแต่ขนาดนี้เลยผมสะสมขบวนท่ามาหลายชาติแล้วพอไป ผมยังไม่หนักเท่าไรนะที่ทำอย่างนี้แต่คุณเองคุณยังไม่ได้สะสมภูมิโพธิสัตว์มาขณะนี้คุณล่องจุนแล้วชักธงแล้วไม่เอาแล้วโพธิสัตว์เลิกเถอะอรหันต์ไม่เกิดอีกแล้วคุณมีสิทธิ์ถอนเมื่อไหร่ก็เพราะคุณทำเป็นคุณทำได้คุณมีของจริงของมีแล้วเป็นแล้วก็เป็นของแล้วมีแล้วเป็นแล้วของเราแต่คุณยังเอาของเราแล้วเอาของเรานี่มาเป็นฐานเป็นทุนที่จะทำงานอีกต่อเชิญเลยเชิญเลย แต่คุณจะเลิกไม่ทํางานอีกต่อแล้วไม่สร้างกิจอีกต่อแล้วสร้างกิจนี่คือสร้างกิจแก่ศาสนาส่วนของเรานั้นเราศูนย์เมื่อไหร่ก็สบายสบายทําได้อย่างแท้จริงฟังให้ดีแล้วคุณจะรู้เทราว่านี่ไม่เรียนมหายานที่แท้ก็เลยตุนตู่อยู่กันนั้นกลายเป็นศาสนาแตกนิกายเรากําลังเอามหายานและเทราวาามารวมกันไม่แตกนิกายโพธิสัตว์และอรหันเป็นหนึ่งเดียวกัน เพราะน้พูดจบอรหันต์จึงเป็นโพธิสัตว์ผู้เป็นโพธิสัตว์จริงเพราะมีอรหัตคุณหรือมีอมไม่ถึงขั้นอรหัตคุณแต่ควรจะอรหัตคุณควรจะสอบ85ปซขึ้นไปแล้วมันมั่นใจดีถ้ามีคุณยังไม่ถึง85เราได้แค่50จะสอนเขาโอ้ตัวเองก็50เปอร์็ได้จะไปสอนเขาเศรษฐีพออยู่พอกิน แล้วจะไปแจกเขาก็โทษก็ตัวเองก็ห0 5 0บนหะ้าพอเลี้ยงขันแล้วยังจะไปแจกเขาก็ตายสิพี่น้องต้องเศรษฐีห0สบก็ยังไม่ค่อยแน่ด้วย75้าก็ยังไม่ค่อยแน่85้าแล้วเออค่อยหักเศษช่วยเหลือเขาอย่างนี้เป็นต้นมันถึงจะเป็นของดีนะนี่เข้าใจให้ละเอียดลึกซึ้งนะคิดว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์ในการที่อธิบายธรรมะนานๆอธิบายดีแล้วคนเยอะนะวันนี้ อธิบายธรรมะวันนี้ไม่ใช่ธรรมะตื่นเขินเป็นธรรมะลึกซึ้งแจกในเรื่องไตรลักษณ์ให้ฟังคืออนิจจังทุกขังอนัตตาแม้นิจจังสุขขังอัตตาได้จับมาเปรียบเทียบธรรมวิจัยวิเคราะห์วิจัยให้ฟังขึ้นแม้จุดอุดเฉ ท, ทิฏฐิสัสสตทิฏฐิซึ่งเป็นจุดที่เข้าใจยากมากก็พยายามที่จะใช้ภาษาผู้มีภูมิมีพื้น ได้อธิบายมานานแล้ววันนี้จะเข้าใจกระจ่างขึ้นมากเป็นอัดสุดตังสุนาติเป็นสุดตังปรโยธเปติเป็นกังขังวิหนติคือความสงสัยจะสลายไปเยอะเป็นทิทุงทิฏุทิฏิอุดชุงกรโรติเป็นความเห็นที่ตรงทางตรงแน่วตรงเป้าไม่โค้งไม่คดไม่เอี้ยวไม่เอียง มันจะตรงจริงขึ้นมาและฟังได้แล้วคุณฟังได้คุณก็ปิติเบิกบานรา่าเริงเลื่อมใสศรัทธาแน่นอนมันเป็นของจริงอย่างนั้นเพราะในวันสำคัญวันวิสาขาบูชานี้ก็ได้อธิบายจนสรุปลงไปให้ฟังแล้วว่ า, าศาสนานี้ของพระพุทธเจ้ารึกซึ้งนักพระพุทธเจ้าเป็นยอดมนุษย์ เป็นบุรุษเอกที่รู้สัจจะความจริงอันนี้ด้วยปัญญาทิฏฐานของท่านและสัจจาทิฏฐานของท่านและท่านได้จารคาทิฏฐานมีประวัติมีตำนานจริงว่าท่านได้จารสละอย่างเป็นผู้ที่สละเป็นตัวอย่างอันเอกท่านทำอย่างนั้นพระมหาสาวกพระสาวกต่างๆก็ย่อมทำอย่างนั้นไม่คานแยงไม่ใช่เป็นตัวขบฏหลอกล่อเป็นจอมโจรบัณฑิต แฝงอาศัยบั ล, ลังอาศัยใบบุญของพระพุทธเจ้ามาแอบแฝงสร้างบาให้แก่ตนไม่ไม่เป็นจะเป็นผู้ที่มาสร้างบุญโดยแท้ตลอดเกิดถึงตายในวันอย่างนี้วันวิสาขานี้ผมปฏิญญาณกับคุณทุกคนอาตมาเขาปฏิญญาณกับทุกคน าอาตมาจะกรอบกู้แล้วก็ทำงานอย่างนี้อาตมาจะไม่ขบฏแม่น้อยแม่มากคุณพยายามจับอาตมาเข้าใจภาษาคาว่าขบฏนะคือทรยศต่อหลักการธรรมวินัยเบี้ยวแฝงทั้งเบี้ยวทั้งแฝงซ่อนจะไม่ทาด้วยรู้ด้วยเจตนาไม่มีถ้ามันจะเป็นความบกพร่องของอาตมาที่มันไม่มีเจตนาแล้วมันเป็นเรื่องที่ เกินรู้ของอาตมาเองจริงๆแล้วคุณจับได้ช่วยบอกอาตมาด้วยจะขอบพระคุณอย่างยิ่งอาตมาไม่อยากให้มีการตกหลน่นไม่อยากให้เกิดตกหล่นในต้นแต่มันย่อมมีอยู่บ้างแหละแต่คุณไม่มีปัญญารู้เท่านั้นเองอาตมาก็ต้องรู้ด้วยตนเองให้ได้ของของตนเองส่วนของตนเองคนอื่นช่วยรู้ช่วยบอกช่วยชี้นั้นเป็นบุญคุณขอปรวรณาด้วยอีกปรวรณาต่อคุณทุกคน ว่าถามีอะไรที่มันเป็นขาดตกบกพร่องที่มันไม่ดีไม่งามช่วยบอกอาตมาด้วยสงสัยถามอาตมาจะพยายามไม่แก้ตัวอาตมาทราบซึ่งในคําว่าคนจันไรชอบแก้ตัวคนดีชอบแก้ไขคนจำไรกันจันไรชอบแก้ตัวอาตมาทราบซึ่งในคําังเผยในสโลกนี้คนดีชอบแก้ไขคนจันไรชอบแก้ตัวจอมโจรบัณฑิ น, อ ย, นอยู่ตรงนี้อยู่ตรงแก้ตัวนี้ อาตมาทราบซึ้งบทนี้และจริงเราจะต้องไปยอมแล้วเราจะต้องไปแก้ตัวทาไมยอมรับความจริงสิถ้ามันไม่ดีเราแก้ไขถ้ามันไม่ดีก็ยังไปจะแก้ตัวแล้วก็ยังจะเลี่ยงคุณอะไรอะไรอยู่มันไม่ใช่คนจริงมันไม่ใช่สัจจมนุษย์เป็นมนุษย์อสุจิมไม่ใช่มนุษย์สัจจะขยากเป็นมนุษย์อสุจิก็เป็นเนะ มนุษย์ไม่สะอาดแปลแล้วก็อสุจิแปลว่าไม่สะอาดสุจิแปลว่าสะอาดอสุจิก็ไม่สะอาดมันยังเป็นตัวเกิดมหาทุกข์อยู่อสุจินั่นนะเรางก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์แก่คุณในวันสำคัญเราจะมีกิจกรรมอีกถ้าเพราะว่ามีผู้มีคนมีอะไรต่อะไรอยู่พอสมควรเราก็จะทําไป